ภควัโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธสัตนะโมตัสสะภควโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธสัตนะโมตัสสะภควโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธสัะ ทังสรนังกัจฉามิธัรมังสรนังกัจฉามิสังขังสรนังกัจฉามิทุตยัมปิพุทธัง สรนังกัจฉามิทุติยัมปิธรรมังสรนังกัจฉามิทุติยัมปิสังคังสระนังกัจฉามิ ตติยมปิพุทธังสรนังคตฉามิตติยมปิธัมมังสรนังคตฉามิตติยมปิสังคังสรนังคตฉามิ ติสระคมันังนิธิตังเจริญธรรมทุกคนวันนี้วันพฤหัสบดีที่ส6บหตุลาคม2557้าหเจดแรง8ปดค่ำเดือนส1อ็ดวันนี้วันพระวันพระเล็กแรง8ปค่ำเดือนสบเอ็ดปีมะเมีย วันนี้วัพุธรหัสเราก็มาเรียนความรักสิบมิติกันต่ อ, <c oughs> อเราได้เรียนกันไปถึงมิติที่หกแล้วความรักในความหมายของคนทั่วไป มันกว้างนะกว้างอย่างศาสนาอื่นนี่เขาใช้คําว่าความรักของเขาเนี่มันกว้างรวมไปหมดเลยจนถึงขั้นความรักพระเจ้านะอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยศาสนาพุทธเราเนี่ยแบ่งแยกความรักที่ประกอบบุรีเกิเลสประกอบบุรีกามกับความรักที่ ออกจากกามในคัมะความรักที่ออกจากกามชัดเจนมีนัยยะที่แยกชัดเจนรู้ในจิตรู้เหตุของจิตเหตุในจิตเข้าไปถึงเวทนาในเวทนาที่เป็นอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์อารมณ์มสุขเพราะกามอะไรเงี้ยชัดเจน อ่านาจิตออกแยกจิตออกมีวิตกวิจารหรือมีวิจัยทำมวิจัยสามารถที่จะแยกได้นะรู้จักความสุขด้วยกามแล้วก็รู้จักความสุขที่ลดกามเรียกว่าความสุขด้วยความสงบความสุขที่สงบจากกิเลสกิเลสลดลงนะลดลงกามลดลงนี่ขมมะได้กิเลส ก, กลล็ลดลงลดลง ใจก็เป็นสุขสงบซึ่งคนชนิดนะแยกความสุขคนชนิดสุขที่เป็นโลกุตระหรือสุขที่เป็นการลดกิเลสสุขที่ไม่บำเรอกิเลสสุขเฉยเฉยสุขหมดกิเลส ก, ก็เฉยเฉยสุขสงบสงบว่างๆอธุกรมสุขอุเบกขาเฉยเฉยอย่างนี้เป็นต้น ซึ่งเป็นเรื่องที่เดาไม่ได้ทุกวันนี้าศาสนาเสื่อมมากจนกระทั่งไม่สามารถรู้ได้ว่าสุขอย่างนี้เป็นอย่างไรสุขโลกุตระหรือว่าสุขอย่างที่เนคขมมะนี่เป็นอย่างไรไปเข้าใจว่าทาให้จิตมันหยุดคิดหยุดรับรู้หยุดปรุงหยุดแต่งหยุดเกี่ยวข้องกับอะไรอะไรไปหมดอยู่ก็ ความเฉยๆสมมุติขึ้นมาว่าจิตของเราอยู่เฉยเฉยสะ ก, กดจิตให้เฉยๆโดยวิธีนั่งสมาธิสะ ก, กดจิตให้เฉยเฉยเฉยเฉยอย่างมืดหรเอเฉยอย่างสว่างอย่างสว่างก็สายธรรมกายอย่างมืดก็สายกาจะมั่นนั่งสงบไปแล้วก็นั่งสมาธิเข้าไปอยู่ในภวังทั้งนั้นซึ่งมันออกนอกทางของศาสนาพุทธหมด ตัววันนี้อาตมานี่บังอาจมากไปทเทรว่าคนอื่นผิดว่าตนเองถูกอาตมามันป่านนี้แล้วย่างกับทศวัรษที่ก้าแล้วอายุมันยังมานั่งอมพนามอยู่อีกแล้วตายวันตายพรุ่งไม่ได้พูดกันพอดีเพราะงั้นไม่รอแล้วทำงานมาตั้ง4ี่สิบกว่าปีแล้วาศาสนานี่ก็ เพราะงั้นตอนนี้ก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่บรรยับบรยังเท่าไหร่ไม่ไว้หน้าเท่าไหรเพราะว่าอาตมาก็ได้พยายามพูดมาแล้วแต่ก็ไม่เห็นกระเตื้องกันไม่เห็นเข้าใจหรือรู้สึกอะไรกันหรือแก้ไขเพราะมันมิจฉามันผิดมันไม่พาไปสู่นิพพานไม่พาไปไมันไปสมาธิทีนะ่เพราะฉะนั้นจึงไม่สามารถรู้ความรัก ที่แยกออกว่าความรักปักเจือไปได้กามเจือไปดนกิเลสแล้วบําพกิเลสอยู่แล้วกิเลสว่ามีทั้งกามมีทั้งพบอย่างที่นั่งสมาธิเนี่เป็นกิเลสพบเป็นความรักแบบพบเป็นรูปราคะอรูปราคะาเป็นความรักที่ไปสร้างพบอยู่ข้างในพวงังส า, ายดับกับสายสว่างเป็นอภัสรากับเป็นสุภกินนะฮะ อภัสราพรมกับสุภกินนะฮพรมสุภกินนะฮก็ไปทางดับทางมืดทางดําอภัสราก็ไปในทางสว่างทางแจ้งทางใสวงสว่างสว่างไม่มีที่สุดอะไรเงี้ยก <c oughs> ็ <c oughs> เลยไม่ไม่รู้จักความเป็นสมาธทิที่ไม่มีพบไม่มีชาติต้องรู้จักจิตวิญญาณรู้จักกิเลส จิตเจตสิกต่างๆอ่านกิเลสออกจับกิเลสเป็ น, นแยกแยกวิจัยวิจารโดยเฉพาะเวทนาร้อยแปดดังที่อาตมาแยกให้ฟังแล้วเวทนาร้อยแปดเแยกมนโนพวิจารได้รู้จักอย่างโลกโลกเคหะสิตาเวทนาแล้วก็รู้การออกออกจากโลกในกรมสิตาเวทนา มนโนปวิจารสิบปดมโนปวิจารสาสิบหเนี่ย <c oughs> มันถ้าอ่านเวทนาและแยกเวทนาเป็นมนโนปวิจารสองสายสองภาคนี่ไม่ออกก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้เมื่อรู้ไม่ได้ก็จะไม่รู้ถึงอินทรีย์ของกิเลสมิติที่หนึ่งเป็นความรักในทางกามชัดๆเห็นแก่ตัวจัดมาก อำนาจหรืออินทรีย์พลังอินทรีย์อำนาจหรือดิกรีอของความรักที่ยึดมั่นถือมั่นนะเห็นแก่เห็นแก่ความรักที่ตนเองรักหึงหวงผูกพันเป็นตัวกูของกูแน่นและแคบมีแค่สองคนเขาไม่สามารถจะแยกออกไม่สามารถจะรู้ความจริงทังที่ว่า แม้จะดีขึ้นเป็นมิติที่สองอกว้างขึ้นมาเกลือ ก, กว้างขึ้นมาถึงอำนาจความรักเผื่อออกมาถึงลูกนอกนั้นก็ไม่แยแสนอกนั้นก็ไม่มีน้ำหนักไม่มีความรักเผื่อแผ่ให้ใครบงแค่อยู่แค่มิติที่สองแค่ลูกตนเองอปุตตะปิตานิยม เป็นเรื่องของแค่พ่อแม่ลูกหรือกว้างขึ้นสูงขึ้นไปอีกเป็นมิติที่สามเห็นแก่ญาติบ้างเผื่อแผ่เกื้อกูลมีจิตใจเกื้อกว้างไปหาญาติบ้างเป็นญาตินิยมเป็นโคตรนิยมอะไรเงี้ยก็แค่นั้น มิติที่สี่สูงขึ้นไปอีกเพื่อเมือเพื่อนเพื่อมิตรเพื่อสหายเพื่อสังคมแต่ก็ยังไม่รอบกว้างนักสังคมในรอบแคบเป็นสังคมนิยมมันก็เพิ่มความกว้างเกลื่อกว้างของจิตจริงๆมันมีความรักความเผื่อแผ่ความเอือ้อเฟื้อความเจริจาน เป็นความรักหรือเป็นคุณธรรมคุณธรรมที่ช่วยเหลือเฟื่อฝฟายสังหะเรียกว่าสังคหะความช่วยเหลือเกื้อกูลช่วยเหลือเกื้อกว้างเห็นแก่ผู้อื่นจิตอย่างนี้แหละจิตสังหะจิตเกื้อกูลจิตที่ไม่ไม่แค่ไม่เห็นแก่แก่ครอบข้อที่เห็นแก่ตัวไว้ในกรอบที่มันแค่แล้วก็กำหนด สภาวะจริงของเหตุปัจจัยตั้งแต่มิติที่หนึ่งมิติที่สองมิติที่สมิติที่สี่มิติที่ห้าสากล น, นิยมหรือว่าจักรวารนิยมเห็นความเกลื่อนกว้างไปถึงกระทั่งไม่ยึดติดแค่ชาตินิยมแค่รัฐนิยมสังคมนิยมหรือว่าชุมชนนิยมแค่มิตรสหายอยู่ในวงแคบจนกว้างขึ้นเป็นมิติที่ห้าเป็น ชาตินิยมช่วยรักประเทศคนทั้งประเทศคนทั้งรัฐอะไรนี่เป็นต้นนีจิตใจเผื่อแผ่แล้วก็มีความมุ่งมั่นเนาะเห็นแก่ตนน้อยก็รู้ว่าตนเองก็ช่วยตนเองเพราะสมควรไม่เบียดเบียนใครแล้วเราก็มีส่วนกําลังช่วยเหลือคนอื่นก็ช่วยได้กว้างเกือกกว้างไปอย่างนั้นอย่างนี้เป็นต้นมันเป็นความจริง ของจิตวิญญาณของคนที่จะมีลักษณะจริงเกื่อกว้างออกไปตามลําดับตามลําดับจนวิติตรที่หสากล น, นิยมหรือว่าจั ก, กรวาลนิยมกว้างไปทั่วหมดก็เอาเหตุปัจจัยของวัตถุเป็นตั ว, เ ป, ตวเป็นตัวเครื่องชี้วัดเป็นเครื่องชี้บ่งเทียบเป็นวัตถุเป็นเครื่องชีบงงช้บ่งว่าจิตใจเรา พูดอย่างนั้นไหมจริงไหมถ้าเรารู้สามารถรู้การขยายของอำนาจของจิตที่มันเอื้อมเอือ้อเกื้อก้วงออกไปได้เป็นรัศมีตามที่เอาเหตุปัจจัยของวัตถุต่างๆมาเป็นเครื่องกำหนดที่วัดให้เรารู้ว่าเราเองนี่อยู่ในกรอบไหนอยู่ในขนาดไหน เห็นแก่ตัวหรือเห็นแก่วงวงความเห็นแก่แวดวงที่ตัวเองเห็นแก่เนี่ยมันแคบอยู่แค่ไหนเราก็จะรู้ว่าภูมิธรรมของเราเนี่ยสูงหรือต่ำถ้ายิ่งเห็นแก่ผู้อื่นเกื้อกว้วงไปมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็มีจริงใจจริงพฤติกรรมเราก็จริงแล้วก็รู้จักประมาณตนว่าจะเป็นเทเดเตียอุมคอม เกือเฟือฟ้อเชือจานเกือกว้างจนเกินตัวไปกู้หนี้ยืมสินมาช่วยคนอื่นอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วตนเองไม่หวัดไม่ไหวแล้วก็จะไม่รู้ตัวไม่มีอัตจันยุตตาไม่รู้จักประมาณตนช่ว ย, วยเขาเกือกว้างไปเกินขอบเขตมันเป็นไปนไม่ได้แล้วเราก็ตายด้วยพ <c oughs> ราะลักษณะของที่การรู้พวกนี้เนี่ยเราจะเป็นคุณธรรมมี เป็นคนมีคุณธรรมที่จะสามารถจัดสัดส่วนมัตตัญญุตาประมาณการจัดสัดส่วนประมาณว่าเราจะเกือกว้างเราจะเอื้อเฟื้อเจ อ, เ จ, อจ้าเราจะสงเคราะห์สังคหะช่วยเหลือเกื้อกูลผู้ใดได้มากน้อยเท่าใดจะมีสปริสธรรมเจ็สูงขึ้นไปเรื่อยๆจเจริญขึ้นไปตามจริง ตามูงเราที่จะรู้องค์ประกอบต่างๆองค์ประกอบที่เราอยู่ร่วมด้วยตั้งแต่สังคมเรียกว่าสังค เ, เรียกว่าบุริสระสังคมาปาริสัญญาต้าสังคมเราจะช่วยในสังคมวงแคบวงกว้างทุกวันนี้ชาวโซเรานี่ก็ยังช่วยคนไม่ได้มากปริสัญญาต้าในสังคมหมู่กลุ่ม คณะเราก็ช่วยได้ประมาณแค่นี้แรงพลังทรัพย์สินเงินทองทุนรอนแม้แต่ตัวบุคคลบุคคประโรครยุตตาตัวบุคคลแต่ละบุคคลก็มีจำนวนน้อยมีจำนวนที่เข้าใจจริงมาช่วยจริงอาตมาไม่ค่อยอนุโลมที่จ ะ, อะเอื้อมเอื้อกือ้อก้งไปเอาคนลำเมืองเอาคนที่ เอาเนิดหน่นนอยๆยก็ได้คนที่ยังไม่แคไม่แข็งไม่อะไรก็ได้อะไรไม่เอาแอตมา ก, ก็ตั้งหลักไว้เข้มเข็มหน่อยเอาคนที่แข็งแรงหน่อยไม่เช่นนั้นมันยากมันไ ม, มไม่มีไม่มีน้ำหนักไม่มีผลที่มีประสิท ธ, ธิภาพพอก็เลยประมาณอเอาแค่นี้คนจึงน้อยอยู่บุคคล น, น้อยบริษัทหรือ ก, กลุ่มหมู่ก็เลยน้อยเราก็ทำไปตามมีตามได้ ตามโอกาสกาลันยุตาและก็ประมาณเนื้อหาสาระในแต่ละกาละที่เราจะรู้ว่าเราจะทำอะไรแค่ไหนธรรมยุตตาหรืออัถัานยุตาแล้วก็ประมาณไปคำนวณไปการมีสัพ ป, ปุริธรรมเจ็ประการนี่เป็นสตบุรุษที่ใช่สิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบ ในการจัดสรรเรียกว่ามีศิลปะในการจัดสรรศิลปะค็พูดไปแล้วว่ามันสูงกว่าศาสตร์ศาสตร์ระความรู้นี่มันสู้ศิลปะไม่ได้ศิลปะสูงกว่าศาสตร์เพราะในศิลปะนั้นมีศาสตร์แต่ทุกวันนี้ศิลปะก็เพี้ยนศิลปะเลวหลายเป็นความหลอกลวงเป็นงานหากินงานศิลปะทุกวันนี้เนี่ย เอ็นอบายยมุกไปแล้วไม่ว่าจะเป็นศิลปะในแขนงในทั้งจิตกรรมปฏติมากรรมสถาปัตยกรรมวรรณกรรมไม่ว่าดราม่าแอนด์มิวสิกมันไม่ใช่เพียวอาร์ตมันกลายเป็นศิลปะมันกลายเป็นอบอบายยมุกมันมองเมากันไปหมดมันลวงคนไม่รู้เรื่องอะ แล้วจัดจ้านกันทุกวันด้วยแล้วราคาสูงนะศิลปะที่มันเป็นศิลปะเนี่ยหลอกลวงได้สูงแต่ผู้ที่มีศิลปะจริงไม่ลหลงไหลลาบยศไม่ลหลงไหลราคาราคาถูกราคาไม่แพงแต่คุณค่าสูงคุณค่าของผู้เป็นศิลปินสูงไม่ได้เห็นแก่ลาบยศนั่นคืออารยบุคคลนี่แท้จริง เพราะง้นไม่ใช่อารยบุคคลก็ใช้ศิลปะศิลป์เปนี่เป็นเรื่องธรามหากินร่ำรวยขู่รีดตั้งราคาเอาเปรียบเอารัดต่างๆนานาเนี่ยเพราะว่า จ, จะเป็นดาราดารนักร้องนักรำด้วย จ, จะเป็นนักเขียนนักขีดนักอะไรแม้แต่วันกรรมมอมเมากันเละเทะไปหมดเลยมันไม่เป็นเป็นมงคลในวรรณกรรมอะไรมอมเมากัน มันอาจจะมีพะมันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่พอเป็นไปได้สิ่งที่พอที่จะรู้กันง่ายกว่าอะไรอยู่ก็คือวรรณกรรมที่พอรู้ว่าเป็นสาระเป็นคุณค่าเป็นประโยชน์นอกนั้นเละยิ่งเต้นกินดํากินการแสดงนัจกีตวาทิตตการละเล่นและกีฬาโอ้โห มันมอมเมากันทั่วโลกเลยทุกวันนี้ตกเป็นธาตุของการกีฬากับการเล่นกับการบันเทิงเริงรมคาตัวดาราไม่ว่าดารากีฬาหรือดาราเต้นแบงเต้นการำร้องแพงยิบตาเลยทั้งโลกเพราะคนติดยดมันเป็นกิเลสกิเลสจัดกิเลสหนักแล้วคนก็ไม่รู้เท่าตัน ไปใหญ่โอลิมปิกเอเชียนเกมอะไรกันแล้วแต่ไปใหญ่เลยพลานพลาดทำลายกันแล้วก็จับเดี๋ยวนี้มันเตะเข้าโกลูกนหนึ่งเนี่ยอาตมาว่ามันจะช็อกตายคาสนามสักวันคอยดูเถอะคือมันจะเกิดการปลุงจิตเนะ่มันแรงมากมันคลายแม็กซ์มันสูงมากช็อกตายสักวันจะเห็นจริงนั่นอนะ มันเตะเข้าโกได้สักรูนึ่ทุกวันนี้มันเลือดฉีดพุ่งแรงเพราะคนมันหาเงินถ้ามันเตะแล้วมันนับลูกนะนับคะแนนนะแล้วมันจะได้ราคามันค่าตัวมันจะพุ่งปีปี๊ดปีเพราะฝีมือฝีตีนนี่คือความหลงไม่รู้เรื่องจริงๆเลยในเรื่องของ หลอกกันอยู่ในเพียรอาร์ตมันมีห้าชนิดนมีวิจิตกรรมปฏิมากรรมสถาปัตยกรรมวรรณกรรมนาฏกรรมและดนตรีการมีห้านาฏกรรมกับดนตรีการเขาเอาไปรวมไว้เป็นอันเดียวกันเดี๋ยวนี้มันไม่ไม่มีศิลปะห้านี้มันไม่รู้เรื่องแล้ว มันไม่มีศิลปะการโฆษณนาศิลปะพานิชศิลปะการตกแต่งศิลปะอะไรไปอีกอาตมาไม่ทันเขาไม่ทันเขาทุกวันนี้ศิลปะศิล ป, ะ, ลปะอะไรนี่โอ้โหหมดเพียวอาร์ตก็ไม่เป็นเพียวเราเดี๋ยวนี้ยจิตกรรมก็เป็นจิตอะไรก็ใหม่รู้มันออกนอกรีดนอกทางไม่รู้สาระ หลงไหลแต่สุนทรียะไม่มีสารสินมีแต่สุนทรียะหลงสุนทรียะไปเต็มเลยวัตศิลปะทุกวันนี้เลยกลายเป็นสิ่งมอมเมาไปหมดทั้งโลกนี่คือการการหลงผิดใช้ศิลปะแล้วคนก็เลยตกลงก็เลยใช้ ความรักความชอบความรักความชอบจากผู้คนจากแวดวงที่อาตมาบอกไปว่าไม่ไ ม, ไมีเอามิตรสหายเป็นตัวหลักเสร็จแล้วไอตัวมิสหายเนี่ยมันก็มีตัวเหตุปัจจัยพวกนี้ด้วยประกอบกันในความชอบในความหลงความชอบความรักความอร่อยในสิ่งที่เป็นพวกนี้เพราะงั้น หนักเข้าหลงไหลเรื่องของอารมณ์ปรุงแต่งพวกนี้ที่เรียกวิสิล้เติดเนี่ยคนก็ตามเมื่อติดยึดอันนี้มากก็เลยเจดยึดอันนี้ยิ่งกว่ามิตรสหายยิ่งกว่าเพื่อนพ้องยิ่งกว่าประชากรยิ่งกว่าญาติยิ่งกว่าลูกหลาน หลงดารายิ่งกว่าลูกหลานหลงอบายมุกยิ่งกว่าลูกหลานเอาเงินเอาทองไปถมเลยลูกหลานจะเป็นจะตายไม่มีกินไม่มีใช้ไม่มีเรียนไม่มีศึกษาไม่มีทำอะไรเป็นประโยชน์นี่คือความล้มเหลวของสังคมที่ไม่รู้จักสาระอันสำคัญ สาระสำคัญของความเป็นมนุษย์ของความเป็นสังคมก็เลยเกิดความพัฒนากันไม่ได้มีแต่จมไปหมดมันมีลีลาซับซอ้อนแม้แต่ในเรื่องของนักวิชาการในเรื่องของนักบริหารที่มีท่าทีองประกอบองประกอบในการปรุงแต่งนะตุงปรุงแต่งนัตจะคขีตวาทิตะต่างๆท่าทีลีลา สุ่มเสียงสำเนียงภาษาทัวันนี้ใช้ภาษาเป็นคำพูดเป็นเรื่องแสดงความมีคุณค่ามีความรู้แสดงคำพูดการพูดการปรุงแต่งคำพูดกับความรู้เอามาสร้างคำพูดแล้วก็สร้างท่าทางหรือประพฤติแต่ประพฤติก็ไม่ลงติดดินเท่าไหร่ ประพฤติกันก็อยู่บนหอคอยกันซะส่วนใหญ่แล้วก็ไม่พุทจริงไม่ประพฤตจริงไม่ปฏิบัติจริงเหมือนอย่างคารทีนี่ประพฤตจริงอยู่กับคนอยู่กับประชาชนวถ้าจะพุตจริงๆแล้วนะในหลวงเราเนี่ยแต่คนไม่เข้าใจความซับซ้อนว่าท่านเป็นในหลวง ท่านลดตัวลดตนมา ป, ปฏิบัติขณะนี้เรียกว่าถ้าจะเรียกว่าสารูปของท่านสารูปของพระเจ้าแผ่นดินสารูปของสมณะ ห, หรือสารูปของนักบวชก็นักบวชนี่สารูปของพระเจ้าแผ่นดินท่านทําได้สมส่วนที่สุดและดีที่สุดเหมาะสมที่สุดแล้วท่านทํางานอย่างที่ไม่ถือเนื้อถือตัวอยู่ในสารูปที่เหมาะสมที่สุดปฏิบัติมาจนพระชนย่างเขาจะ ใด้90สปีแล้วตลอดเวลามาไม่ได้หยุดได้หย่อนมีความจำนนประพฤติไม่ได้ท่า น, นั้นท่านถึงหยุดทำไม่ได้มันสุดวิสัยก็ไม่ประพฤติไม่ไม่ทำงานเพราะฉะนั้นผู้มีดวงตาอย่างคิงของอังกฤษถึงได้ยกย่อง วชาตินี้ไม่คิดว่าจะได้พบ king of king ซึ่งเป็นคำคำตรัสของพระชินีอังกฤษที่เป็นสุดยอดเลยและเป็นความจริงอ่ะเป็นความรู้สึกจริงเป็นความมีภูมิปัญญาของพระองค์ที่ตรัสความจริงออกมาแต่คนไม่รู้ค่านอกจากไม่รู้ค่าแล้ว จะทำลายเอาด้วยอาตมาก็าโอ้โหโลกนี้เนี่ยมันมีคนหน้ามืดตาบอดกันขนาดหนักหนักนกันจริงๆเลยไม่รู้อะไรเป็นอะไรแล้วก็กล้าหานชาร์จใจที่จะทำลายที่จะอะไรต่ะอะไรกล้าแสดงออกทางกายทางวาจาด่าทอพูด ว่ากล่าวกันไม่กลัวทั้งโอ้โหแล้วก็ยั ง, น, ย น, ย น, งนั่นก็ยังปรินอมกันก็ยังอะไรกันอยู่โ อ, ไไอไ้ไม่กล้าที่จะจัดการกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องนี่สังคมเป็นสังคมที่อ่อนแอไปหมดแล้วไม่กล้าที่จะจัดการกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องคลัคขลังอยู่งั้นนะ่ะถ้าเป็นอย่างนี้อยู่อาตมามว่า พระอื่นพระอมประเทศปเป็นประเทศพระอื่พระอมจะพระอื่พระอมไปอีกนานนะสัจธรมรมพระพุทธเจ้านี่ท่านจัดท่านสอนท่านอะไรไว้นี่มันสมบูรณ์แบบทุกอย่างแล้วนะเ <c oughs> พราะงั้นพุทธเจะมีจิตเห็นแก่ตัวที่เห็นแก่ตัวก็เพราะรักร่ารักยศ อยากได้ลาบอยากได้ยศอยากได้สนเสริญอยากได้สุดสุขมเสพกามสุขมาบำเรออัตตาเท่านั้นเองได้สมใจพอใจก็เป็นสุขไม่ได้สมใจพอใจก็เป็นทุกข์ดีไม่ดีก็โกรธอาฆาตเขียดแค้นทำลายถึงกับขาไม่ไว้หน้า ปราบให้เรียบถึงขั้นนั้นเลยซึ่งเห็นอยู่บุคคลที่เป็นชันนี้เอาชนะค้าคานที่จะต้องเอาชนะให้สมใจตระเองให้ได้อยู่ตลอดซึ่งเป็นเรื่องที่ยว โ, โหจิตวิญญาณเป็นคนไทยมีพุทธศาสนามันแสดงให้เห็นถึงความเป็นพุทธศาสนาที่ล้มเหลวกันอย่างอัตมา คิดว่าถ้าอาตมามีชีวิตอยู่ได้ถึงห้ารอยปีเราจะมาจะอยู่ให้มันถึงห้าร้อยเพื่อที่จะได้พยายามพูดพยายามเปิดเผยพยายามอธิบายธรรมะพระพุทธเจ้าอาตมามก็ว่ า, าศาสนากระแสหลักไปมากแล้วทุกวันนี้ก็พูดจนอย่างไม่พูดกันอย่างไม่ไม่ไว้หน้าถึงันไม่ไว้หน้าอยู่แล้วเพราะไม่รู้จะทำยังไง ไม่ค่อยกระเตื้องกระเตื้องมันน้อยเกินอ่ะมันน้อยเกินแล้วก็มันก็ไม่เข้าท่าอะไรเล ย, สยเสร็จแล้วก็จะเผยแพร่ไอ้สิ่งที่มันน่าจะหยุดด้วยซ้ําไปหยุดเผยแพร่เปลี่ยนแปลงน่าจะละอายต่อสิ่งที่มันไม่ถูกต้องก็ระ ง, งับบ้างไม่ยังอวดดิบอวดดีไปเรื่อย เที่ยธมาต้องพูดเป็ขนาดนี้ก็เพราะมันเมื่อยมันเมื่อยก็ขอว่าหนักหนักหน่อยบ้างมันเมื่อยจะเห็นใจไม่เห็นใจก็ไม่รู้นะทํามาจนกระทั่งอายุกระปูนนี้เวลานานก็ป่านนี้แล้ว อาตมาออกมาทำงานชาว้ออกมาทางานอายุสามสิบหจสี่สิบแล้วก็ออกมาทำงานแม่สายไปหน่อยไม่รู้เร็วถ้ารู้เร็วก็มาก่อนนี้แล้ะมันบังคับไม่ได้แล้วมันก็ทำไงไม่ได้เพราะกว่าจะรู้ตัวกว่าจะได้มาทำงานนี้เสียเวลาอยู่ทั้งโลกอยู่ทั้งส0สิบกว่าปีมันก็เป็นธรรมดานะของวิบากคน แม้แต่พระพุทธเจ้าท่านยังเป็นลิง ล, งลมองข้าพองอยู่ตั้ง35ปี29ปียอังอยู่ในคารวาสอุตสาหออกมาปฏิบัติอีก6ปีอ่าลิงลมองข้าพองทั้ง35ปีนั่นแหละของท่าน35ปีข้าวัตมา36ปีอ่า36ปีก็ออกมาทำงานได้เลยก็ก็ไม่มปปัญหาเพราะอาตมาเป็น แค่ภูมอาตมาไม่ใช่พระพุทธเจ้าอย่างพระพุทธเจ้าท่านพอท่านตื่นรู้แล้วท่านก็ครบสมบูรณ์เลยแต่อัตามาเนี่ยแม้ตื่นรู้แล้วอัตามาก็ไม่ครบสมบูรณ์แม่ทุกวันนี้ก็ยังชักอดีตออกมาใช้กันอยู่ทุกวันนี้ก็ใช้อดีตทั้งนั้ น, นอันตามาไม่รู้จะทำไงเพราะในเรื่องของอนาคตเรื่องของสิ่งที่เกิดมาชาตินี้อัตามาถึงไม่ต้องรับอะไรจากข้างนอกจากข้างอนาคตทั้งหมดเอาแต่ของอดีตมาใช้ อนาคตก็อาศัยบัญญัติบัญญัติที่เขาใช้เพราะว่าแต่ละยุคมันเหมือนกันแม้จะใช้ภาษาเดียวกันความหมายของแต่ละยุค ก, ก็ไม่เท่ากันมันเพี้ยนไปตามกาลละภาษาก็มีทั้งหายณะและวิวัฒนาภาษานี่คำคำหนึ่งนี่มีทั้งวิวัฒนาและมีทั้งหายณะอยู่ในคํามันเองคําแต่ละคํายังมีความหมายสูงเจริญขึ้นก็มีความหมายเขามันเสื่อมลงก็มี คำภาษาเนี่ยภาษาคนภาษาที่ใช่เนี่ยมันมีทั้งวิวัฒนาการของภาษาและมีทั้งความเสื่อมของภาษาความหมายมันยึดติดอย่างนั้นพราภาษาบางคำนี้มันเสื่อมมากเลยบางคำมันก็พาเจริญได้อยู่อย่างที่อาตมามาอธิบายคำว่าบุญนี้เป็นต้นคำว่าบุญมันเสื่อมจนกระทั่งมันไม่มีค่าแล้วมันกลายเป็นเรื่องหลอกไปเลยคนเอาไปหลอกหากินหมด เอาคำว่าบุญไปหลอกฮากินทั้งๆที่มันไม่มีความหมายอย่างที่เขาไปหลอกฮากินเลยเห็นมาที่อาตมาทิบายนั่นเห็นไหมว่ามันเสื่อมภาษาคําว่าบุญมันเสื่อมค่าทั้งๆที่คุณค่ามันสุดยอดเลยบุญของพระเจ้านี่บุญขอ ง, าของาศาสนาพุทธมันไม่เป็นสันตานังปุณาติวิโสเทติแล้วอย่างนี้เป็นตน้นมันก็แย่ เพรงางั้นในจิตวิญญาณที่ไม่รู้กรอบขอบเขตของความเห็นเกตตัวแคบอยู่จนกระทั่งมาศึกษาอัตมาถึงได้ก็ไม่เจตนาหรอก น, นีมันก็เป็นภูมิอัตมาที่เอามาเทศแลวก็ามาบรรยายไว้ทำนี้ไว้เป็นความรักสิมิติเนี่ยก็เป็นเจตนาที่จะทำกรอบของความรู้ไว้ให้ศึกษากันมาถึงวันนี้มาถึงขณะนี้แล้วก็เลยเห็นว่าเออมันก็เป็น หลักสูตรที่จะใช้เรียนได้เพราะมันเป็นหลักที่จะเรียนนามธรรมาจริงๆนี่เป็นหลักที่จะเรียนนามธรรมาจริงๆโดยอาศัยบัญญัติเหตุปัจจัยต่างๆประกอบเป็นตัวตนบุคคลเราเขาวัตถุอะไรก็แล้วแต่มาเป็นเครื่องประกอบองค์ประกอบศิล่งแล้วก็ใช้อธิบายให้รู้กัน รูแลเราจะได้ใช้สิ่งเหล่านี้ไปประกอบเป็นศิลปะเป็นองค์ประกอบศิลป์ที่จะเกิดนำพาไปสู่ทิศทางที่เจริญได้ผู้ใดสามารถสร้างจัดการปรุงแต่งเรื่องรสางขานให้มันได้สัดส่วนมาตัญยูตาได้พอเหมาะพอดีเป็นสบุริสธรรมเป็นสัตตบรุษก็จะมีความสามารถทาได้ตามบารมีแต่ละบุคคล มันความรู้ในแต่ละกรอบที่อาตมาขยายมาถึงมิติที่หกแล้ว <c oughs> มันเรื่องของเกี่ยวกับวัตถุเกี่ยวกับตัวตนบุคคลเราเขาทั้งหมดเป็นเครื่องชีวัดประกอบแต่ก็เกี่ยวกับนามธรรมา ท, ทั้งนั้นพอมาถึงมิติที่เจ็ดนี้ก็เป็นมิติของนามธรรมาล้ว น, นมิติที่เจนะ็ดเอาลองอ่านดู มิติที่เจคือความรักที่แผ่กว้างไปสุดมหาเอกภพทีเดียวซึ่งหมายถึงนามธรรมาอันยิ่งใหญ่ที่รักทุกสรร พ, พสิ่งซึ่งเป็นความรักระดับพระเจ้าเป็นความรักที่ไม่มีขีดขั้นรักแม้กระทั่งศัตรูไม่มีการแบ่งมิตรแยกศัตรูกันอีกแล้ว ถึาขนาดใครจะตบแก้มซ้ายก็ยังต้องยื่นแก้มขวาให้เขาตบซ้ำอีกด้วยซึ่งมุ่งหมายเข้าหาความดีงามทางนามธรรมามากขึ้นโดยนับถือพระเจ้าเป็นอำนาจหลักแห่งคุณงามความดีและเป็นอำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดกว่าสิ่ง ใ, ใดๆทั้งปวงทุกคนมุ่งมั่นสร้างแต่คุณงามความดี ใครทําแต่ความดีไม่ทําความชั่วแล้วจะได้ไปอยู่กับพระเจ้าผู้ใดทําแต่ความดีในคําอธิบายก็าบอกทาแต่ความดีไม่ทําความชั่วหรือทําความชั่วน้อยเท่าไหร่ไม่ทําความชั่วนะี่ยละไว้ในฐานที่เข้าใจจะได้เกี่วกับพระเจ้าหรือจะไปใกล้พระเจ้าเข้าไปมากที่สุด ดังนั้นทุกคนจึงต้องมีความรักในพระเจ้าและทําตนให้มีความรักดุดเดียวกับพระเจ้าผู้ทรงรักทุกสิ่งทุกอย่างพระเจ้าในรักทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ศัตรูเป็นการฝึกตนให้เป็นคนดีตั้งหน้าตั้งตากระทําแต่ความดีงามตนจะต้องทิ้งความไม่ดีทั้งมวล จะหยุดหยุดความไม่ดีทั้งมวลหยุดความไม่ดีตั้งทั้งปวงให้หมดพยายามไม่โลภไม่โกรธไม่เห็นแก่ตัวไม่ขี้เกียจอดทนบุบับนมีเมตตามหาศาลแผ่ไปทุกทิศ ต, ต้องเป็นคนเสียสละเพื่อมวลมนุษย์ทั้งโลกให้ท่วนทัว่วคือมีความเข้าใจมีปฏิภานแบบที่อัตมาว่าไปนี่แหละ แล้วเขาก็พยายามทําทําจิตให้เป็นเช่นนั้นเช่นอย่างในชาวพุทธเรานี่บอกว่าทําจิตแผ่เมตตาแผ่เมตตาเขาก็มีปฏิภาณรู้ว่าเออแผ่เมตตามันทําจิตยังไงทุกคนก็เท่าที่มีภูมิเออเราทํานี้เราแผ่เมตตาแล้วจิตเราแผ่เมตตาแล้วมันก็บอกไม่ได้ว่าแล้วมันแผ่ยังไงวะแผ่ละแผ่เมตตาเมตตาออกไปอย่างนี้เป็นต้นเขาก็ว่าเขาแผ่เมตตา ทั้งศาสนาทั่วไปที่เป็นเทวนิยมก็สอนท่นอย่างนี้แหละก็ใช้ปัญญัติภาษาที่ก็ให้มันแพร่เผืแพร่เกลืกว้างไปเสียสละเห็นแก่มนุษย์อื่นๆอย่าเห็นแก่ตัวเองคือเป็นศาสนาเทวานิยมนี่เป็นศาสนาที่ไม่เขามีสร้างยานเข้าไปอ่านอาการของจิตเข้าไปอ่านจิตเจตสิกรูปนิพพานเข้าไปอ่านเลยจิตลักษณะนี้ลักษณะนี้อย่างนี้นนเขาไม่ไดอ้อ่านว่าจิตนี่มันมีอาการ เขาไปอ่านอาการไปจับตัวจิตเลยเรียกว่ากายะองค์ประชุมของจิตของตนก็เรียกว่าสักสักกะหรือสัสักกะสกะหรือสักหรือสักเนี่ยแปลว่าตัวเองของตนเองจากองค์ประชุมของนามมารำนี่มันของตนเองจับได้เรียกว่าสักกายะเนี่ยก็จะรู้สักกายะอ่านเห็นเลยโอ้เพราะฉะนั้นภูมิธรรมอันต้นที่สุดของผู้ที่เข้ามรรคเข้าผลของพระพุทธเจ้า โซดาบันโซดาปฏิมากรก็คือรู้จักสักกายะตัวจิตตัวนี้แหละอาการของจิตตัวนี้แหละผู้ได้อ่านอาการของจิตตัวนี้ได้จับตัวได้โดยเฉพาะอาการของจิตมันเคลื่อนไหวจนมันจะเป็นอาการสุขอาการทุกข์ก็ตามเริ่มต้นพอรู้ยิ่งอ่านเข้าไปในสุขหรือทุกข์ที่เป็นเวทนาไปในเวทนาจนไปเห็นตัวเหตุที่นำไปสุขพาทุกข์ไอตัวบริพาทุกข์และสําคัญ มันก็พาสุขนั่นแหละพวกเราจะพอเข้าใจแล้วไปบำเรอให้ไอ้ตัวเหตุที่มันพาทุกนี่แหละมันอยากได้อยากมีอยากเป็นนี่ไปให้มันมันก็เลยมีอาการที่เรียกในภาษาพสุขซึ่งเป็นสุขคลิกะสุขเ ท, ท็จเนี่ยนะซึ่งพวกเราได้รับฟังได้เรียนรู้ก็จะพอเข้าใจมันไม่มีสุขจริงหรอกมีแต่เท็ทุกกะแหละเป็นอริยสัตว์ สุขมันไม่มีหรอกสุขมีได้สุขคลิกะสุขเทศไอ้ความจริงน่ยคือทุกข์เป็นสัจจะเป็นทุกขสัจผู้ปฏิเสธหรือว่าอาริยะเท่านั้นทึงจะรู้จักทุกข์เหตุแห่งทุกข์จับเห็นแห่งทุกข์ได้ก็กําจัดตัวนี้กําจัดทุกข์สุขก็หมดไปด้วยเพราะสุขมันไม่มีจริงไม่ต้องไปจัดการอะไรกับสุขหรอกจัดการกับ เหตุแห่งทุกตัวเดียวเพราะเห็นแห่งทุกดับทุกก็หมดสุข ก, ก็หมด อ, ทมอทุทุกขมสุขอุเบกขาจิตที่อุทุกขมสุขที่เป็นเนคขมะสิตะอุเบกขานี่จึงไม่ใช่อุเบกขาพักยกพวกเราศึกษามาฟังที่อาตมาได้ียวก็จะเข้าใจเห็นเคหัสิตะกับเนคขมะเคหสิตะอุเบกขากับเนคขมะสิตะอุเบกขา จึงมีสภาพต่างกันและใครที่รู้จักจิตตัวเองอ่านจิตตัวเองนี้ได้และทําได้ก็มีสิทธิที่จะมีนิพพานมีสิทธิที่จะไปสู่ความเป็นพระอริยะพระอรหันต์แน่นอนเพราะนั่นเป็นฐานของความจริงที่กิเลส ต, ต่างๆตั้งแต่กามตั้งแต่รูปประพบ ร, ะรูปประพบะมันก็จะรู้จักจริงเพราะถ้าคนเรามันแคบมันเห็นแก่ตัวเห็นแก่พวกเห็นแก่อะไรก็เพราะมันติดยึดกิเลสพวกนี้ ร่างกิเลสพวกนี้ได้ไอความจริงพวกนี้ก็จะเห็นแก่ผู้อื่นต่อไปเลยนะเพราะฉะนั้นทางมิติที่เจนี่ยังเป็นมิติที่ถ้าเผื่อว่ายังเป็นเทวนิยมก็จะเข้าใจโดยปฏิพานว่าเสสละดีไม่เห็นแก่ผู้ใดเห็นแก่ผู้อื่นๆหมดไม่เห็นแก่ตัวดีต้องเมตตาเกื้อกูลเผื่อแผ่ไปทุกทิศ เสียสละให้ได้มากที่สุดไม่ติดใจถือสาอะไรใครไม่ต้องชังใครเลยแม้แต่ศัตรูก็ไม่พยาบาทอาฆาตก็พูดโดยบัญญัติได้แต่ไม่อ่านก็ไปตังใจแล้วว่าละอาการจิต ท, ที่มันอาฆาตพยาบาทมันเป็นยังไงพยาปาทะจริงๆเป็นยังไงมันรักยังไงมันชังยังไงไม่ได้รู้อาการลิงคนิมิตรอุเทศนันนันเลย ไม่ได้รู้อาการไม่ได้รู้เครื่องหมายเขามันว่าโอ้อาการอย่างนี้มันเป็นนามธรรมามันไม่มีสรีระไม่มีตัวตนอสริรังแต่มันไม่ไม่เคยเรียนมันเป็นนามธรรมา ท, ที่รู้ไม่ง่ายอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะงั้นทุกวันนี้ถึงหน้าหองศารที่ศึกษากันพยัญชนะดีที่ประเทศไทยยังมีตำรามีพยัญชนะมีพระเตปปิศก มีนั่นแหละมีตำราคำมพียอะไรอยู่สมบูรณ์อยู่สมบูรณ์ที่จะไปถึงนิพพานแท้แต่ก็ไม่เข้าใจสภาวะไม่เข้าใจความจริงก็เลยศึกษากันไม่ได้นะทีนี้ความต่างของเทวนิยมเนี่ยเขาก็มีความเข้าใจว่าจะต้องเอาอัตตาออกเอาความเห็นแก่ตัวออกไม่ให้มีความเห็นแก่ตัวเขาก็เข้าใจโดยปฏิภาณแต่เขาไม่มีปรมิ เขาไม่มียานไม่ได้สร้างอธิปัญญาสิกขาไม่ได้สร้างจิตให้มันเป็นปัญญาให้มารู้จักจิตเจตสิกจริงๆมันก็เลยไม่ไม่เข้าถึงมันไม่มีทฤษฎีไม่มีหลักสูตรวิธีการเหมือนพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าใครเข้าใจสูตรตั้งแต่สูตรจะเป็นเรียกว่าสูตรง่ายๆใหญ่ยิ่งสั้นย่อ ว่าอริยสัจสีก็ตามหรือจะเป็นการสศสาอษาสูตรการ ศ, าาศึกษาว่าไตศสิกขาก็ตามซึ่งท่านขยายออกมาเป็นโพธิปักเกยธรรม37สเดนี่ยสมบูรณ์แบบถ้าเข้าใจโพธิปักเกยธรรม ท, ที่เป็นโลกุตระามส็แล้วโลกุตระ เขก็จะสามารถเป็นโล ก, กียะเก้าอ้ยโลกุตระ ก, ก้าได้โซดาไปถึงนิพพานสมบูรณ์แบบได้ตั้งนี้เป็นต้นซึ่งในบัญญัติในพยัญชนะในอะไรของพระเจ้านี่อาตมานับวันก็เออรู้เห็นนี่สหลักฐานต่างๆพวกนี้ อ, ออกมาใช้ อ, ออกมายืนยันเพราะเราได้เรียนได้รู้ความจริงก็ยิ่งเห็นจริงเข้าใจจริงไปเรื่อย ย, ยิ่งมีความสมบูรณ์แบบไปเรื่อยๆนะเพราะเราก็จะเข้าใจผู้ที่ท่านภาคเพียนทางเทวนิยมก็ตามแม้ท่านไม่รู้ทฤษฎีแต่ท่านก็ภาคเพียนทำมีผลสำเร็จในวิธีการของท่านวิธีการนี้เป็นวิธีการที่ยังไม่ไ ม, ไม่สมบูรณ์ที่จะรู้รูปนามสมบูรณ์เท่านั้นเองแต่มีวิธีที่จะสร้างสิ่งที่เป็น กุศลแล้วก็กดข่มสี่ที่เป็นอกุศลกดข่มไว้กดข่มไว้ใช่วิธีกดข่คดคมกดข่มทั้งหลับตาลืมตานในขณะลืมตาหลับตาก็ทํามาแล้วคนเหล่านี้ก็เป็นสายที่ก็เป็นสายขอนงเขาเหมือนกันสายเทวนิยมนี่แล้วก็เขาทำได้จนสามารถเก่งสามารถทําได้มีผลชงัดเหมือนกันมีผลได้เป็นเวลานะ เป็นกาละนานทำได้นานเมื่อนแต่มันไม่แอบส์ลูตมันไม่วิสุดวิเศษสุดมันไม่ถึงที่สุดมันไม่อลติเมตมันไม่ถึงที่สุดที่จริงๆมันไม่สมบูรณ์มันไม่แอบส์ลูตมันก็เลยได้แค่วันที่มันได้เสร็จแล้วมันก็กลับฟื้น จึงไม่มีคุณธรรมระดับนิตจังทุวังสัสตังอวิปริณามัตธรรมังสังยังสังกุงปังไม่มีมันไม่พ้นความไม่เที่ยงมันยังไม่เที่ยงอยู่มันไม่ถึงขั้นเที่ยงนิจจังเพราะความยากของศาสนาพุทธเนี่ยให้เรียนรู้ความไม่เที่ยงและทาความไม่เที่ยงให้หายไป จนความไม่เที่ยงนั้นเที่ยงฟังแล้วก็ต้องงงเหมือนกับที่ท่านตรัสไว้ในพัติพิฎกเ hm ล่มส6บหอะที่บอกโลกนี้มันมีแต่ความมีกับความไม่มีก็ง ง, งกันดแล้วมันยังไงกันแน่จะเอามีแล้วไม่มีผู้มีถึงจะเป็นผู้ไม่มีผู้ไม่มีถึงจะเป็นผู้มี เอาแล้วกันแล้วมันจะอะไรกันแน่ก็ต้องงงกันดีเหมือนกันผู้เที่ยงกับผู้ไม่เที่ยงผู้ที่เห็นความไม่เที่ยงแล้วทำความไม่เที่ยงได้จนกระทั่งเที่ยงผู้นั้นแหละเที่ยงก็เหมือนกันกับผู้ที่เห็นความมีแล้วเอาความมีนั้นออกจนไม่มีผู้นั้นแหละคือผู้มีมีอะไร มีความไม่มี เ, ออเพราะงั้นผู้ใดที่พอเข้าใจผู้ที่รู้สภาว่าพอสมควรแล้วจะไม่สับสนฟังแล้วไม่งงฟังแล้วไม่เมินมปวดหัวฟังแล้วพอเข้าใจไม่ไม่มนหัวไม่งงเวลามันยังไงกันแน่มันจะเอามีหรือเอาไม่มีอะไรมีอะไรไม่มีอะไรเที่ยงอะไรไม่เที่ยง มันต้เป็นลำดับเรียนรู้มาเป็นลำดับเบื้องต้นทั้งกลางมันปลายตามที่พระเจ้าท่านมีสูตรสาเร็จธรรมะ า, ามอ่านมาเลยตั้งแต่สักกายะมาโพธิปักเยตธรรมตั้งแต่เกิดปฏิบัติและก็มีสิ่งที่เกิดจริงเป็นจริงเห็นี่องค์ประชุมทั้งรูปและนามเป็นกายกายในกายพยายามพิจารณาขั้นลึกเข้าไปถึงอาการของจิตเป็นเวทนาเป็นจิตเป็นธรรมะอะไรลึกเข้าไปอีก ตามบททิปปัเกเยตรรม3ามมันก็สมบูรณ์นะเพราะฉะนั้นในสายที่ไม่มีหลักสูตรพระพุทธเจ้าถึงบอกหลักสูตรพระพุทธเจ้านั้นมีสายพุทธเท่านั้นที่จะมีได้และก็ต้องถ่ายทอดกันด้วยอุเทศโดยการแสดงอธิบายต้องฟังจึงเรียกว่าเป็นาศาสนาที่มีสาวกกับภูมิ สาวกของทางโลกเาก็มีอย่างที่าศาสนาเทวนิยมนี่เาเป็นสาวกจริงๆด้วยสาวกอย่างสูหกเลยนะสาวกอย่างสูหกต้องเชื่ออย่างเดียวเลยของาศาสนาทางสายเทวนิยมต้องเชื่ออย่างเดียวเลยและถ้าเขาจริงใจนะแล้วสอนจริงใจดีที่สุดละเท่าที่ทำได้เพราะฉะนั้นจึงเป็นลัทธิที่ต้องเชื่อเชื่ออย่างเดียว วันสายเทวานิยมเชื่ออย่างเดียวเชื่อาศาสดาถ้าไม่เชื่อไม่สาเร็จแล้วก็จริงแต่ของพุทธเจ้านั้นไม่ให้เชื่อแม้แต่เป็นครูของเราโอ้ยิ่งใหญ่มากเลยกาลามสูตรเนี่ยไม่เชื่อใครทั้งนั้นไม่เชื่ออะไรทั้งนั้นเชื่อสิ่งที่พิสูจน์ได้แล้วจริงโดยตนที่เป็นรูปเป็นนาม บรรุสูงสุดนอกนั้นก็เชื่อลำลองแต่ว่าไม่เชื่อเลยซะ ก, ก็ไม่ได้เชื่อลำลองแต่จะไปปักมั่นยึดมั่นถือมั่นเชื่อดิ่งเป็นเหมือนกับสายเทวานิยมเพราะเทวนิยมจึงยากเพราะจะเชื่อมั่นก็มันก็ไม่มั่นไม่ยึดมั่นถือมั่นก็ได้เชื่อมันก็ไม่ไม่คน้นไม่เข้มข้นเชื่อไม่ค่อยมุ่งมั่น เพราะฉะนั้นใครที่สามารถเข้าใจเห็นจริงว่าโอ้โหอันนี้เนี่ยอะไรใไนที่อัตมาว่าอะไรลุยอะตงแน่แล้วก็ลุยอะนะนะอ๋อเจอมวหมูที่ต้องพลีชีพลุยนยะ นะมีหมู่กลุ่มที่ดีตหมู่หมู่ฝูงที่ดีนะรีบพรีชีพลุยอ่ะวันทุกวันนี้มันเกิดหมู่ฝูงที่ส ม, มาทติฐิกันแล้วอ่าแล้วก็อาตมาก็เลยต้องใช้ภาษาปลุกเรารีบพรีชีพลุย ไม่เห็นจะเข้ามาลุยกันเท่าไหร่เลยแต่มีนะคนที่เข้าใจแล้วก็มาลุยกันพอเพราะงั้นเราจะเห็นผลเรามีพลังสูงขึ้นในการทํางานกับสังคมทุกวันนี้ก็ได้พอสมควระเจนได้ว่าแม้ทวนบอเขาก็ม่รวมหัวรวมตัวกันพอได้ไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เลยอตมาตั้งมวชมาก่อนแล้วตั้งสวสอสวก่อแล้วตั้งบบบกก่อแล้ว โอ้โหมมาถึงวนบอาตมาไม่ได้เป็นลิขิตจะตั้งเองท่าหน่อยปุ๊บได้โอ้โหมันเข้ารอบที่สรอบที่หนึ่งมอวชไม่ใช่เออใช่มอวชรอบที่สองสสรรอบที่สามวบบบรอบที่สี่มันก็เกิดวบนบอเออเบิร์กเว้ยเข้าท่าดีลวนี่แหละมันจะเห็นรอบแห่ง เศร้าทั้งหลายแหลนะเศราหนึ่งสองสาห้าหกเจอย่างที่อาตมาได้พยายามที่จะสื่อไอ้เครื่องหมายพวกนี้เพื่อที่ให้ศึกษามันมีความจริงของสัจธรรมนะัซึ่งมันเป็นเรื่องที่ใช้ใช้ได้นะถ้าเผื่อว่าเข้าใจแต่อย่าเพิ่งไปเหมาถ้ายังไม่ค่อยรู้องค์รวมว่ารูปนามบางทีนามธรรมามันรู้ยากแต่มันเป็นผลจริงนะ เอาต่อโอ้นี่มันเก้าโมงสบเกบสี่เมื่อกี้นี้ขอสชกินเวลาไปยี่สิบนาที21นาที <c oughs> นะเพราะการเป็นการฝึกตนให้เป็นคนดีนี่ตั้งหน้าตั้งตากระทําแต่ความดีงามตนก็จะต้องทิ้งความไม่ดีทั้งมวลหยุดหยุดความไม่ดีทั้งปวงให้หมดพยายามไม่โลภไม่โกรธไม่เห็นแก่ตัวไม่ขี้เกียจ เพราะฉะนั้นจิตที่เป็นตัวลักษณะของจิตกิเลสจิตขี้เกียจเป็นลักษณะยังไงก็ไม่รู้อาการจิตของเราเนี่ยนะพ ư ปุตจ้านั้นรู้เลยตั้งชื่อเลยนะโกสัจฉะกุศิตะอะไรพวกนี้ภาษาบาลีท่านขี้เกียจเป็นอย่างนี้อาการกุศิตะอาการโกสัจฉะเป็นอย่างนี้อะไรอเงี้ยเป็นต้นอาการเห็นแก่ตัวเป็นอย่างนี้อาการโกรธเป็นอย่างนี้อาการโลภเป็นอย่างงี้แจกไปให้ละเอียดโกรดน้อยโลภน้อย โกรธมากโลภมากขนาดหยาบกลางละเอียดขนาดนี้ไล่ไปสิขนาดไหนก็เห็นของจริงอดทนบุกบันมีเมตตามหาศารแผ่ไปทุกทิศ ต, ต้องเป็นคนเสียสละเพื่อมวลมนุษย์ทั้งโลกให้ทั่วทั่วนี่เป็นความเห็นร่วมกันหมดไหมว่าเทวานิยมอเทวานิยมเห็นตรงกันหมดแต่ทฤษฎีที่จะเข้าถึงความจริงมันมีทฤษฎีต่างกันเท่านั้นเอง เพราะฉะนั้นทางด้านที่ทฤษฎีมันยังไม่สมบูรณ์เขาก็ไปทฤษฎีทำได้กฎขมก็ตามไม่รู้รายละเอียดถึงบณ์แบบก็ตามเขาถ้าก็ททำได้ก็ต้องเคารพนักถือบูชากันนะเพราะมันเป็นผลประโยชน์ต่อมนุษยชาติสังคมนะไม่ว่ายุคไหนการไหนตลอดการแต่ของพุทธน่ะมันยากยากแล้วเกิดเป็นยุคๆและมันก็ยากได้แหละมันถึงเสื่อม สิ่งที่ไม่ยากใ น, นมันก็พอเอาได้กันอยู่มันก็เลยไม่เสื่อมเพราะนั้นเทวนิยมมันมีคลองโลกคลองตลอดการไม่มีช่วงว่างเวน้นเทวนิยมมีตลอดการแต่พุทธมีเป็นกาละหมดยุคก็หมดพุทธมีพุทธันดอนมีช่วงที่ว่างจากาศาสนาพุทธ ซึ่งยุคที่ว่างศัก์ศาสนาพุทธในมหาจักรวาลนี้มีอยู่ในสองช่วงช่วงที่คนดีจนไม่ต้องเดือดร้อนที่จะต้องพระพุทธเจ้าเข้ามาช่วยก็อยู่กันไปช่วงสังคมดีคนดียังไม่เดือดร้อนยังไม่เบียดเบียนกันต่างคนต่างอาศัยอยู่ธรรมชาติก็ยังดีจิต ก, กิเลสก็ยังไม่มากคนก็ยังไม่มากเพราะก็อยู่กันอย่างเลื้อเฟืออยู่อย่าง อยู่อย่างสบายอยู่อย่างไม่ต้องแย่งต้องชิงไม่ต้องข่าต้องแกล้งไม่ต้องเบียดเบียนอะไรกันจนมันเกิดกิเลสจนทรั พ, พยากรร่อยล่อลงแต่กิเลสมันม า, มากกว่าทรั พ, พยากรทรั พ, พยากรนี่ถึงขนาดปราดใครคานทีหรือเปล่าที่บอกว่าโลกนี้นี่มันมีทรั พ, พยากรมากพอที่คนทั้งโลกจะอะไร แต่มันไม่พอกับคนคนเดียวที่จ ะ, ะนะมันไม่พอกับคนคนเดียวที่คีโลกแต่มันไม่มากพอที่จะแบ่งกินกันใช้ได้ทั่วโลกทรัพยากรแม้ทุกวันนี้ก็ตามทรัพยากรก็พอที่จะแบ่งกินกันใช้ได้ทั่วโลกทุกวันนี้ก็ตามแต่มันไม่พอความขี้โลกของคน corpses? โลภแล้วก็ไปสร้างรัฐิสร้างสูตรทิษนีที่จะโลภไม่แก่ตัวไม่รู้สุดสิ้นไม่มีสิ้นมีสุดโลภออกดอกออกผลออกอะไรๆ ไ, ไปไม่หยุดหย่อนเลยนั่นเขาถือว่าเป็นผลสำเร็จในการสร้างระบบทุนนิยมเพราะทุกวันนี้ในยุคทุนนิยมนี่จะเป็นทุนนิยมสามานจริงๆเรวร้ายแรงที่สุดละ นะวิธีการที่จะดูดเอาเปรียบเอารัดนี่โอโหคนรู้ไม่ทันเลยเมื่อใครตกไปอยู่ในวงจรของพวกทุนนิยมเสร็จอัตมาถึงพยายามเช่าโศกตัดวงจรพวกทุนนิยมตัดวงจรอย่าไปตกอยู่ในทุนนิยมของเขาตั้งแต่เริ่มเลยเรื่องเงินทองอย่าไปมีอยู่ในวงจรดอกเบีย้ยเขาไปน็นอันขา คุณไปตกอยู่ในกลุ่มที่ต้องเสีดอกเบีย้ยเมื่อไรนั่นคือวงจรของทุนนิยมจะยืมกันเกื้อกูลกันไม่ต้องชักดาบกันอย่างที่เรามีกันนี้ได้ต้องคนอยู่ในกลุ่มจริงใครยังมีชักดาบยังมีอะไรกันขูดดอกเบีย้ยกันอยู่ออกนอกเขตเทศบาลอาโศกไปเพราะฉะนั้นผู้ใดไม่เป็นหนี้ที่มีดอกเบีย้ยได้ผู้นั้นหลุดพ้น เปราะหนึ่งละจากระบบโลกทุกวันนี้แล้วก็มาขยันหมั่นเพียรสร้างสรรสมรรถนะขึ้นมาเลี้ยงตนพึ่งตนสร้างให้พึ่งตนเองรอดพึ่งตนเองได้สร้างเหลือเกินกว่าตัวกินตัวใช้ก็ไม่ต้องไปกักตุนสะสมเผือแพรแจกจาก่ายเจือจานสะพัดออกอการกักตุนก็เป็น ความเห็นแก่ตัวเพราะคุณกักตุนไว้สิ่งเหล่านั้นก็เกิดเศรษฐกิจเสียกักตุนสิ่งที่มนุษย์ต้องการใช้สังคมมีดิมานต้องการอันนี้แต่คุณเอามากักากักากักากักไว้ความเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจมันก็เสร็จไปไม่ออก เพราะฉะนั้นการสัพพัฒจึงเป็นเศรษฐกิจที่ดีที่สุดเมื่อเรามีพอสมควรพอเป็นพอไปอย่างที่ในหลวงราตรัสเราไม่เอาเอาแบบคนจนคนรวยไม่เอาเราก็รวยพอสมควรเราก็ไม่รวยเราไม่เอารวยแต่ว่าเราก็มีพอสมควรท่านตรัสว่าเรามีพอสมควรน่ยเศรษฐกิจพอเพียง เราก็มีมีอุดมของเรามีอุดมสมบูรณ์พอสมควรของเรามันไม่ได้รวยท่านไม่เอาไม่เอ า, ไ ม, เอาไม่เอาประเทศร่ำรวยเรามีพอสมควรคําแต่ละคําของในหลวงที่ตรัสนี่โอโหเป็น the great words แต่ละคําแต่ละคำไงใครจะหาว่าอาตมานี่มาหลงในหลวงไม่มีปัญหาเลยและใครไม่พูดถึงอาตมาก็พากันพวกเรานี่ยและพูด พาเอาออกประกาศจนอยู่นี้แนหะทั่วไปใครจะมันไส้กับมันสไสไปไม่ว่ากันไอ้ที่ประกาศไอ้รัฐที่ไอส้สูตรมอมเมา อ, อะไรนะี่ประกาศกันโครมโคร ม, ครมก็ไม่ว่ากั น, นไอ้ประกาศสูตรที่วิเศษนี้อย่างมันไสก็เชิญไปเถอะคนมันไสคุณก็ทุกข์ของคุณเองะใครมันไสอัตามาก็ทุกคนนั้นเขาทุกข์ของเขาเองนะ อัตามาหรืไม่ไปถึงไหนเลยเนี่ยอ่านไม่ได้สามสพระกราฟเต็มอ่าเป็นการมุ่งฝึกฝนตนให้ดีเป็นที่ตั้งนะถ้าแปลว่าทำอย่างที่ว่านะไม่โลไม่โกรธไม่เห็นแก่ตัวไม่ขี้เกียจอะไรพวกนี้ทำแต่ความดีนี่นะเป็นการมุ่งฝึกฝนตนให้ดีเป็นที่ตั้งคุณงามความดีอะไรเข้าใจเท่าไหร่ก็ทําดีมันอย่างเดียวละชั่วประพฤติดีเพอละทิฐิละชั่วประพฤติ ด, ด, ะะ ด, ดีอย่างเดียวนี่ไม่ได้ถึงขั้นปรมตส์เนี่ย ยังไม่ใช่ศาสนาพุทธศนะาสนาพุทธก็ละชั่วพุทธดีด้วยศาสนาอื่นก็มีละชั่วพุทดีแต่ศาสนาพุทธจะทำใจให้สะอาดด้วยสะจิตตับประโยชน์ทะปนังนะรู้จักจิตรู้จักใจแล้วก็ทำใจให้หมดกิเลส จ, จริงรู้จักกิเลส จ, จริงนะเพราะฉะถ้าไม่ใช่พุทธก็ว่าไปทําการมุ่งฝึกฝนตนใ ห, ให้ดีเป็นที่ตั้งอะไรไม่ดีไม่ทําและทิ้งความไม่ดีแบบไม่ต้องใส่ใจเลยเพราะฉั้นศาสนา เทวนิยมจะทิ้งความไม่ดีไม่ไม่ไปยุ่งกับเขาแล้วก็ไม่โกรธไปเกลียดเขาด้วยเขามาทำร้ายเราก็ไม่พยาบามตอบทําอย่างเงี้ยทิ้งเลยเรียกว่าปล่อยคนชั่วลอยนวลเป็นศาสนาที่ปล่อยคนชั่วลอยนวลศาสนาเทวนิยมเอาแต่ดีที่ตัวเองอย่างเดียวคนไม่ดีปล่อยเรียกว่าปล่อยคนชั่วลอยนวล ศาสนาเทวนิยมไม่ไม่เอาภาระไม่หาวิธีการจะช่วยเขาช่วยเขาให้ได้อย่างแค่ของยพระเจ้านี่ท่านมีถึงขั้นให้โอสถให้ยาแทรกเข้าในขุมขนไม่ให้รู้ตัวสามารถให้ยาให้โอสถเข้าในขุมขนไม่ให้เขารู้ตัวต้องมีวิธีการถึงไม่ให้เขารู้ตัว ถ้ารู้ตัวได้ถึงขั้ น, นเปยวัชชะยอดผู้ใดสามารถด่าเขาให้เขาชอบแปลให้ถึงถึงเ ป, ย ว, วปยวัชชะวัชชะแปลว่าตำหนิติเตียนหรือด่าว่าแล้วให้เขาดื่มคาําด่าดื่มสิ่งที่ด่าเขาว่าเขานะั้นได้ผู้สามารถจัดทํางานศิลปะถึงขั้นด่าเขาแล้ว เขาชอบใจเรียกว่าเป็นปิยะวาจาคาด่าที่คนอื่นดื่มคําด่าได้เนี่คือปิยะวาจาไอ้ไปชมคนในคนดื่มได้แล้วคนก็ชอบเนี่ยนี่พวกนี้ทําได้ทั้งนั้นนะี่ยทำได้ตั้งแต่แบเบาะไปแล้วมันเอาใจแม่มาตั้งแต่แบเบาะจนกระทั่งมันมีจริจารากมันก็ทําได้ทั้งนั้นนะมันเอาใจคนเอาใจคนให้มันคนชอบอ่ะ แต่ด่าคนให้คนชอบเนี่ยโอ้โหปิยาวาัจา์เปยยวาชาัชชะคนถึงแปลไม่ได้แปลได้แต่เขาไม่กล้าแปลเขาก็เลยไปเอาแต่คำขยายความว่าผู้ใดเปยยวัจจ์ผู้นั้นมีปิยะาวาาัจจ์ก็เลยไปเอาคําปิยาวัจามาแทนปยาาาปยยวัชชะเปยยวัชชะไม่แปลเลยทั้งที่พระยนชนะมันยืนยันวัจจับแล้วว่าคำตำหนิเปิยยเราของคนดื่มตำหนิเขาให้เป็นของคนดื่มได้ นี่แหละคนมีเป็นศิลปินศิลปินตำแหน่งเขาดื่มได้ทุกวันนี้อาตมานยังเป็นศิลปินเท่าไหร่เลยตําหน่เขาเขาไม่ดื่มแต่ยังมีคนดื่มบ้างด่าเอาบุญแปลเป็นไทยง่ายๆด่าเอาบุญ <c oughs> ด่าแล้วได้บุญด่าแล้วเกิดบุญเกิดการชําระกิเลสได้นั่นแหละเป็นปิยวาจา สุดยอดเลยคําสอนพระเจ้าเนี่ยใครจะสามารถทําได้ชมคนจะให้คนชอบปวดหัเอ้ย ม, มีฟิปมือหรอกชมคนให้คนชอบทําทําไมอาตมาไม่ทํำเสียเหลี่ยมไปชมเพื่อคนชอบเสียเหลี่ยมหมดต้องตำหนิให้คนชอบเด่๋ยังให้ยาตายอย่าโดนตายตำหนิเข้องเขมาข่าวอันนี้นก็ ไ ร, ไรฟีมือเอาละอัตมาหมดเวลาแล้วหละที่จริงน่ะนะอธิบายป้ายขยายความไปก็นะก็ไปเรื่อยๆเพราะว่าสอนนี่มันไปตั้งมิติที่เจ็แล้วมันมีสิบมิติเองมันจะหมดปีไปยังไงมันถึงเลืนยาวยืดไปหน่อยก็ได้นะเอา้าเหลือเวลาพอดีละมันก็ไม่พอดีกินเวลาไปนิดหน่อยนะ สิบเนาิกาิบเจนาทีกินเวลาไปเจนาทีนะก็เหลืออีกห้าสิบสามนาทีเชิญห้สานาทีตอนนี้คารวาสก่อนใครเอาแจกแจกหมากนะไม่ใช่แจกไม้แจกไม้นะไม่ใช่แจกหมากสับแจกหมากไม่มีสมัยนี้เด็กๆคงไม่รู้ว่าแจกหมาก แจกหมากในหมายคำว่าทำรายคนอื่นชกปากแล้วปากแตกเลือดไหลเรียกว่าแจกหมากกินหมากแล้วมีสีแดงเอกจากปากนั่นะชกปากเขาแล้วเลือดไหลก็เลยเป็นเป็นสแสดงเป็นภาษาย่ยุคหนึ่งแจกหมากชกปากเขาเลือดไหลแล้วก็ถือว่าแจกหมากทำร้ายเขาเอาใครยกมือไมโครโฟนจะเดินไปหาเร็ว ทำไมไม่เกิดมีใจบรรดาลใจอะไรบ้างเลยเลยวันนี้อยากถามอยากจะบรรยายอยากจะสรุปอยากจะบอกอะไรอยากจะคอมเมนต์อะไรก็แล้วแต่ไม่มีเลยเหรอครับกั บ, บข้อกัดไม่เหมือนพวกตะ ว, วันตกเลยน้อถามเก่งคนไทยนี่ทําไมมันถามไม่ค่อยเก่งครับกับข้อกาดครั บ, ร บ, รบอ้าวเชิญ ศาสดาของศาสนาต่างๆนะครับเป็นมองดูมีมีความรักความรักขั้นสูงน้องมีความรักกับกับทุกๆคน อ, ะ mm hmm. อ่ะแล้วก็มีความอดทนสูงบำเพ็ญประโยชน์เพื่อ mm hmm. เพื่อคนอื่นลักษณะอย่างเนี้ยคล้ายๆว่าคล้ายๆหมดกิเลสอะ่ะแต่มันก็ ก, ก, ก, ก็ก็ไม่รู้ได้นะครับว่ามันจะเป็นลักษณะของอรหันต์รูปแบบหนึ่งได้ไหมเป็น พระพุทธเจ้าไม่ได้ยอมรับแม้แต่เป็นโซดาบันศาสนาแบบนี้ที่ในอินเดียนี่มีเจ อ, ะ ใ, อ, เเอ ะ, เะในอินเดียมีเยอะเพราะฉะนั้นอินเดียจะรักษาเทวนิยม ไ, มได้อีกนานอินเดียนี่เพราะว่าเป็นรัฐธิที่กดข่มรัทิที่เป็นแบบนี้สมถะวิธีที่ลึกซึ้งที่มากที่จัดสูงสูงกว่าทางตะวันตกด้วย อินเดียเนี่ยเพราะฉะนั้นในประเทศมีพลเมืองอยู่ถึงพันก๊าล้านอินเดียอยู่ได้อินเดียอยู่ได้ประเทศอื่นอยู่ไม่ได้มีพลเมืองพันก๊าล้านอยู่ไม่ได้แร้วจีนพันก๊าล้านเนี่อยู่ได้เพราะมีปัญญาซ้อนแทรกอยู่ที่มีเชื้อของาศาสนาพุทธจีนจึงอยู่ได้ทุกวันนี้แต่ก็หลวมกว่าประเทศอินเดีย หลวงว่าอินเดียทางจิตของอินเดียเนี่ยลึกเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าที่เขายึดถือของเขาแลงไปเปลี่ยนแปลงเขาไม่ได้ง่ายๆหรอกวัฒนธรรมของอินเดียเนี่ยประธานาธิบดีคนปัจจุบันนี้จะไปล้างไม่ให้ขี้ทั่วไปจะจัดส้วมจะจัดที่อะไร อ, อะไรพวกนี้นอัตมาว่าไม่สําเร็จหรอกในชีวิตของออประธานาธิบดีคนนี้ไม่สําเร็จ แต่ไม่ได้หมายคาว่าประเทศดีๆจะเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ไม่สาเร็จสำเร็จในวาระหนึ่งแต่อาตมากล้าพูดได้ว่าในวัฒนธรรมเขามากขนาดนี้เขาจะไปเปลี่ยนเนี่ยนะเปลี่ยนให้คนขี้อย่างพวกชาวอินเดียขี้เนี่ยนะก็ทำไม่ได้พล เ, เมืองมันมีตั้งพันล้านเนี่ยพันกว่าล้านเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้หรอกแต่ก็เริ่มต้นดีแล้วก็ปรับไปก็คงจะดีขึ้น ไม่ใช่แต่เรื่องอุจจระเรื่องอื่นๆในหลายๆอย่างที่เขาเป็นจริงของเ้าเนี่ยมันลึกเรื่องจิตวิญญาณเนี่ยมันลึกอัตมาก็บรรยายไม่ไหวเหมือนกันแต่เขายกตัวอย่างมาประกอบพวกคุณก็จะค่อยๆเข้าใจไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นเทวนิยมนี่มีลักษณะกดข่มอย่างเดียวแล้วกดข่มได้ดีใช้เวลานา น, านไอการกดข่มฝึกฝนเนี่นะแต่ละรัชทีนนี่เขาไม่ได้ใช้เวลาแค่พันปีห0 0 0นปีแสนปีล้านปีเท่านั้นนะมันหลายล้านล้านปีนะ และเวลานี่คนไม่รู้คนเกิดมาแต่ละคนแต่ละคนแล้วก็ตายไปนีย่ยุคนี้มันแค่ร้อยปีเป็นสูงสุดถือว่าร้อยปีไม่ถึงด้วยยุคพระเจ้าถือว่าร้อยปีเป็นกับยุคนี้ถือว่าประมาณเจ็ดสิบปีเป็นกับเฉลี่ยผู้หญิงผู้ชายเนจะ็ดสิบปีเป็นกับยุคนี้ใครอายุเจ็ดสิบปีถือว่าครบกับอ่อนบวกลบอ่อนบวก จะบวกจะลบก็เท่านั้นประมาณนั้นนะแค่นี้ตายแต่วัตถะสงสารที่มันบุญเวียนเนี่ยคุณแต่ละคนตายที่อัตมาพูดแล้วว่าตายแล้วจะมาเกิดเป็นคนอีกนั้นยากนักเพราะวิบากนี่จะพาไปตกนรกหมกไหมอย่าไปพูดสวรรค์นนะเพราะสวรรค์มันเป็นสวรรค์ลวงสวรรค์ น, นี่มันคือปาว่าที่คุณเสพรสในมีตาหูจมูกลิ้นกาย นอกนั่นเป็นสวรรค์มันไม่ยืดหรอกสวรรค์ในภพรูปภพรูปภพรูปราค่ก็เกิดจากตาหูจมูกริ้นกายเมื่อรูปราคะมันไม่มีมันก็ไม่ติดมากมายไม่ใช่ไม่ติดหรอกมันมันมันไม่ไม่ขึ้นมันจะลืมถ้ายิ่งเป็นหลงในภาวะของภพในภาวะของอัตตาในภาวะของความสงบ ไปยึดความสงบนานเลยพวกยึดความสงบนี่จะนานมากแต่พวกที่ไมายึดความสงบเนี่ยก็จะไปตกนรกนานเพราะมันต้องไปใช้หนี้บาปไอ้ตรงนรกที่ว่านี่มันทั้งที่ไปจิตจมอยู่ในความทุกข์ร้อนของจิตที่มันนับวันนับปีไม่ได้นับวันนับปีไม่ได้ทั้ง ในสภาพที่มาเกิดเป็นเดรัจฉานมาเกิดเป็นร่างคนคนที่เกิดมาพิกลพิการหน้าทุเรศทุรังการคนที่เกิดมาไม่ทุเรศทุรังการหรอกได้ อ, อายตนะขออภยัยได้อาการ32ครบแต่บางคนจะต้องมาทรมานเพราะสวย บางคนจะมาทรมานเพราะฉลาดบางคนจะได้มาทับทุกข์ทรมานเพราะสวยบางคนจะได้มาทับทุกข์ ท, กทรมานเพราะฉลาดอ่าม่ต้องอาพิคลพิการ่ะบางคนจะได้มาทุกข์ทรมานเพราะรวยอยู่ในร่างคนเนี้ยมีเยอะและซับซ้อนด้วย ซับซ้อนที่มารวยและไม่รู้ตัวทาชั่วหนักก็ไปอีกทีนี้ไปตงนรกอีกนานเกินมาอีกก็ถ้าไม่มีภูมิธรรมไม่รับภูมิธรรมไปอีกบ้างเลยวนอยู่ในทุกหลุมทุกเนี่ยหลุมไอ้ทรมานนี่ไปอีกเยอะมันเป็นอจินตไต่เป็นเรื่องที่เกินกว่าจะพูดนะเป็นเรื่องเกินกว่าจะคิดแต่ศึกษาไม่ได้จะรู้ว่าวัตสงสารนี่มันมากเพราะวันพี้พูดเจ้าท่าน ตรัสอะไรคนที่ตายไปแล้วจะได้เกิดมาเป็นคนอีกนั่นเท่ากับเล็บจิกลงไปในแผ่นดินแอ่นดินติดลงมาในขี้เล็บนี่เท่าไหรนั่นแหละได้เกิดมาในเป็นคนนอกนั้นไปนตกนรกเทียบกับแผ่นดินในปัฐพีคุณเทียบยังไงไหวอ่ะคนเกิดมานี่จะได้มาเกิดเป็นคนมีแค่ขี้เล็บ แต่เราเกิดเป็นคนอีกเนี่ยในเวลาพอสมควรนอกนั้นไปตกนรกกันอีกตามวิบากเท่าแผ่นดินในปัตตภีดูความเปรียบเทียบนี้สิไอดินจากขี้เล็บกับดินในปัตตพีอ่ะเพราะมันจึงเป็นเรื่องที่เกินคิดมันเหมือนเวอร์ แต่ในวัฏสงสารนี่มันกว้างไกลยาวนานมากเพราะคนที่เกิดมานี่อายุแค่นี้เนี่ยยิ่งยุคนี้ร้อยปีเนี่ยโอยน้อยกว่าน้อยนักสั้นนักชีวิตนี้สั้นนักเพราะฉะนั้นคนสั่งสมเนี่ยเขาสั่งสมบา ร, รมีกันมาไม่รู้กี่ล้านล้า น, ล, า น, ล, านล้านชาติมันก็เป็นไปได้กดคมได้เพราะมันเป็นความรู้ที่เป็นความรู้ระดับโลกีเท่านั้นใครก็รู้่า ใช่ไหมทำดีไม่ดีเหรออดทนดีไหมเสียสละดีไหมไม่ให้แก่ตัวดีไหมเไป็นในหมดนะตัวเล็กๆจะถามตัวเล็กๆดีกว่าถามผู้ใหญ่ไปด้วยมันอายตอบไม่ได้เพราอายถามตัวเล็กดีกว่านะไป็นในหมดแล้เมื่อกี้จมูกจมยไปไหนมันนั่งฮะนี้ไปไหนอ่าเกาลัดกันหมอบใชแล้ว อุตส่าห์มานั่งเก้าอี้ปล่อยให้เก้าอี้ว่างนะตัวเองไม่หมอบอยู่กับพื้นเลย <c oughs> เ, เขาขยันนะกาล่าเนี่ยขยันกับเพื่อนได้คะแนนนะได้คะแนนขยันามานั่งตรียนทุกวันอเก่งแต่วันนี้เป็นไงหมอบไปแต่แต่ตะละวันบางทีก็ไม่น้อยร้อยวันนะเขาหมอบงี่น้อยวันขนปุ๋ยหมกักหนักไปไงวันเนี้ยอ๋อไปเลีนนามาโดนขนปุ๋ยเขา คนปุ๋ยเกงนะช่วยคนปุ๋ยนะใครใครบอกว่าเขาเป็นเจ้าของลงปุ๋ยเขใช่เขาบอกเป็นเจ้าของลงปุ๋ยลงปุ๋ยของเา้า <c ười> เอา้าได้ไมโครโฟนยกมือแล้วให้ไมโครโฟนไปเลยก็แค <c ười> ่เข้าใจไปถ้าเดินสายต้องใช้ด้วยนะการกดข่มนี่ไม่ใช่ไม่ใช่พุดใช้ แต่มันมีที่ใช้ปัญญาอีกสร้างไฟฌานสร้างไฟปัญญาที่สลายไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะได้จริงมันเป็นพลังงานนะมันเป็นมันเป็นพลังงานไม่ใช่สสารเป็นนามธรรมเป็นอรูปธรรมหรือเป็นนามธรรมอ้าได้ไมโครโฟรนเอาเลยค่ะการขอค่ะดิฉันฟังบนค่ะคือนักเรียนเนี่ย นักเรียนจะรักฟังเพลงค่ะแล้วก็จะขอเพลงอะไรเรักรักเพลงค่ะรักฟังเพลงรักแล้วก็จะขอรักฟังเพลงค่ะชอบเพลงค่ะชอบเพลงชอบเพลงรักเพลงขออขอเพลงอะไรขอเพลงน้อยใจอขอเพลงอ่าจําไม่ได้ละก็ ก็จะเงียฟังเพลงเดี๋ยวนี้วิธีฟังเพลงก็จะติดกระเป๋าเนี่ยแหละค่ะเดินไปเฉยแต่ว่าเสียงเพลงก็จะออกมาจากเอวใช่ใช่เดี๋ยวนี้มันมีเครื่องฟังไม่มีใครรู้ด้วยฟังฟังแล้วก็มันจะมีโทษมีภัยกับเด็กๆยังไงหรอการรเพลงก็มีสิก็ไปติดไปยืดอยู่ไม่รู้จักปล่อยวางไม่รู้จักหัดอดหัดทนหัดด้วยบ้างขนาดไม่ต้องฟังมันกำลังหูจะตายอยู่แล้วเพลงนะ ไม่ต้องไปติดมันก็เยอะจะจะฟังไม่รู้ลีลาไหนตัวลีลาไหนมีทั้งอมะตะมีทั้งสมัยใหม่มีทั้งเพลง อ, อะไรเพลงวัฒนธรรมอะไรเพลงเพลงศิลปะวัฒนธรรมเพลงอะไรเพลงเรียกเรียกอะไรอ่ะฮะฮะ ไม่ใช่เพลงเพีวิตเพลงโบราณเพลงอะไรอะไรตนะ่รงๆศิลปวัฒนธรรมเ พ, งเพงลง ป, ประเพณีเพลงอะไรเรี ย, ก, ยกเพลงของอเพลงไทยเดิมนั่นแหละมันมีชื่อมันลักษณะลักษณะที่มันเป็นของวัฒนธรรมประจำชาติอะไรพวกนี้อเอาเอผ่านไปนึกมันหยัดภาษาตรงๆมหมๆไม่ออก ถ้าผู้ใดที่ยังหลงอยู่นะไม่ต้องกลัวหรอกว่าจะฟังเพลงไม่เป็นนะเหมือนกับอย่างที่พาพวกเราไม่ให้ใช้เงินไม่ให้มาหัดใช้เงินพ่าโรงเรียนนี้เข้มนะเข้มมากนะมาเรียนนี้หกปีไม่ให้ใช้เงินนะใช้ตามที่มีความจำเป็นก็มาบอกผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อนุญาตให้ใช้กันได้ก็ไม่ได้ไม่ให้ใช้ มันก็มีใช้ที่สมหมดสมควรแต่จะใช้โดยพลังใจตัวเองอยากใช้ไม่ให้ใช้ตามชอบนั่นเลยพ่อแม่ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเอามาฝากคนนั้นฝากคนนี้ว่าเห็นลูกเป็นเบิกใช้ไม่ให้ใช้จบหกออกไปเยอะแยะไม่เห็นเขาใช้เงินไม่เป็นเลยนะโรงเรียนนี่ก็ตั้งมาม .6 จบออกไปแล้วเกือบสามสิบรุ่นละ รุ่นเท่าไหร่เนี่ยไอ้ดินเนี่ยก้ อ, อนนอสมาชิกโอก้อ น, อนโซนอมันเลยนับก็ไม่ได้อัตมาถามนี่มันสมาชชิขาสมาชชิขามันก็20่สบกว่าปีแล้วต่า20่วิบปีแล้ ว, ไ, ลวไม่รู้เกือบ3ามเจ็ี่สิบหยีบเจ็ปีละก็นานนะสิ ไอ้กอศนนี่มันสามสิบกว่าปีแล้วใช่ไหมเราเงินเท่าไหร่แล้ววะอ่านั่นแหละมันก็เกือบสามสิบปีแล้ะนะก็ไม่เห็นมันใช้เงินไม่เป็นที่ไหนมันก็ใช้เป็นเงินใช้จนกระทั่งลําบากไปใช้เงินก็ไปลําบากไอ้คนที่มันพรมีภูมิอ่าได้รับคุณธรรมไปบ้างก็ค่อยอยังชั่วก็มีคนได้รับคุณธรรมไปบ้างเออไม่ หลงเงินทองอะไรมากมายนักรู้จักใช้เงินเป็นอะไรงี่ก็ยังมีบ้างก็มีส่วนใหญ่นะมีดีมีบ้างแต่คนที่มันเฝอเงินจนกระตั้งก็ไม่รู้แหละก็พยายามให้ความรู้เราไปชนไปเป็นให้ความรู้ต้องมีธรรมะถ้าไม่มีธรรมะไปสู้สสกับโลกอยู่กับโลกก็ยุ่งยากมากมายเพราะงั้นจะฟังเพลงจะฟังอะไรทุกวันนี้มันมอมเมาจัด ลุงปูนี่เป็นคนนักแต่งเพลงนะมันควรจะต้องส่งเสริมได้ซ้ําแต่ทําไมมาห้ามมาต้านเพลงมันมีคุณสมบัติตั้งหลายอย่างเพลงน่ะจะร้องร้องเพลงลุงปูที่ลุงปูก็แต่งไว้ให้ร้องแต่เป็นร้อยร้อยเพลงก็ไม่ร้องเพลงลุงปูเนี่ยเป็นเพลงโลกุตระเป็นเพลงธรรมะ เพลงทุกวันนี้เนี่ยเพลงศิลปะเพลงศิลปะทั้งหลา ย, ลยมันมีอยู่ห้าอย่างห้าแบบหนึ่งลามกมันไม่ใช่ศิลปะเรามันลามกแต่มันหลอกกันว่าศิลปะแล้วคนก็หลงเชื่อกันเต็มบ้านเต็มเมืองทุกวันนี้ลามกสองราคะสมสาระสี่ธรรมะห้าโลกุตระ เพราะฉะนั้นศิลปินต้องมีความรู้ในระดับพวกนี้แล้วต้องรู้ว่าเกณฑ์ที่เป็นศิลปะนั้นอะไรมันไม่เป็นศิลปะไอ้ลามกกระระ า, านี่มันยังไม่เป็นศิลปะหรอกสาระถ้าไม่รู้จักศิลปะก็ทำสาระไม่เป็นจะเป็นแต่สารคดีไม่มีสุตตรีศิลป์ไม่มีสารศิลป์ที่จะจัดสัดส่วนจัดองค์ประกอบ จัดคอมโพสิชันที่ได้สัดส่วนที่พอเหมาะที่จะเป็นประโยชน์ไม่มอมเมาส่วนธรรมะนั่นก็ต้องมีความรู้ธรรมะที่จะเข้าไปประกอบงานศิลของตนเองยิงขั้นโล ก, กุตระก็จะต้องมีภูมิถึงขั้นโล ก, กุตระเพลงลกปูเน่ลกุลเพลงโล ก, กุตระต่างเยอะต้งแยะเพลงธรรมะก็มีมากมายไม่ร้องไปร้องเพลงมอมเมาก็เพลง ของหลวงปู่ให้ฟังก็บ่าละก็ฟังกันอยู่ก็ร้องกันอยู่ก็ใช้กันอยู่ที่ซ้ำไปในโทรทัศน์เราก็ใช้กันออกทั้งนั้นนะเพลงหลวงปู่ทั้งนั้นนะเทยอยู่ในโทรทัศน์ต้องหัดต้องหัดเลิกหัดละบ้างนะหัดฟังให้มันเป็นสาระให้มันเป็นประโยชน์อย่ามอมเมาตนเองอย่าไปทําลายทําลายตนเองนะมันมันเซ็งค่ะ นะถ้าถ้าไม่ได้ยินเสียงเพลงนี่เซ็งไม่มีแรงทํางานก็ <c oughs> บอกแล้วไงก็เอาเพลงลบปู่ไปฟังก็ได้แนออนขน่อาอ่อน <c oughs> ไม่มีแรงทํางานพ่อเป้เล่นหัวเพราะว่าพอได้ฟังเพลงก็จะ อ, อะ๋อละก็ค่อยเป็นไปก็ค่อยรู้ก็ค่อยรู้เข้าใจค่อยค่อยสำนึกไม่มีปัญหาหรอกจะไปบังคับบางทีมก็ยาก <c oughs> ล้ปู่เนี่ยทิ้งอะไรล่าสุด ทิ้งเพลงนอกนั้นทิ้งก่อนได้หมดเลยสุดท้ายโอ้โหจะออกมาเนี่ยแม้จะออกมาบวชได้ยังเพลงมันดังอหนังโทนมันยังดังเพลงขายระเบิดเถิดเทิงแต่ตัวเองน้นหันหลังเข้าออวัดสุดท้ายเลยนอกนั้นทิ้งไปก่อนหมดทิ้งเพลงทิ้งเสียงเพลงสุดท้ายมาบวชแล้วยังต้องมาต่งแต่งเพลงอีกเห็นไหม แต่ไม่ได้ไปตัเป็ น, ป น, ปนาธาตเทลงอะไรก็ทําเพลงเป็นสาระเป็นธรรมะเป็นโลกุตระให้ไว้ให้โลกเขาอ้าวมีอะไรอีกใครอ้าวได้ไมโครโฟนแล้วยกมือก่อนบอกแล้วยกมือก่อนแล้วก็เอาแค่ได้ไม่เอาเลยเอายกมือไว้แล้วเดี๋ยวคนก็เอาไม้ ไ, มไปให้เอาใครเดินไม้เอาไปให้ไม่ใช่ก็ยกมืออ่าคืการที่เราเห็นคนเห็นกิเลส ข, ของคนอื่นเราเยอะแยะ นั่นแปลว่าตัวเรายังมีกิเลสอยู่ไหมครับใช่เราไปเห็นกิเลสของคนอื่นในตัวกิเลสแท้นี่กิเลสแท้ๆเลยตัวใหญ่ต้องเห็นกิเลสตัวเองและกิเลสตัวเองตัวที่ไปเห็นกิเลสคนอื่นอะไรคือกิเลสตัวเองใหญ่เรไม่เคยเห็นนะของตัวเองไม่่อยเห็นเท่าไหร่มันไม่มองตัวเองคนที่รู้ตัวและมองตัวเองกิเลสกิเลสของคนอื่นมันคือของเขา แม้เราจะไปมองว่าเป็นกิเลส ข, ของเขาคุณเห็นกิเลสเขาจริงเหรอคุณเห็นอ่านตำอาการมากกว่าประมาณเอามากกว่าใช่ไหมคุณไม่ได้อ่านตัวกิเลสคือจิตที่มันเป็นอกุศลจิตของเขาได้ที่ไหนเหล่าคุณเดาจะบอกเห็นกิเลสเขาทีคุณเดาตามอาการเขา อ, อาจจะพอได้อาจจะพอถูกพออาจจะพอเฉียดแต่มันไม่จริงทีเดียวอ่านกิเลสตัวเองจริงๆดินั่น่จะเก่ง ถ้าเทพไปอ่านกินเลสคนอื่นนั่นพระพุทธเจา้าถบอกไปไอนาตัวเองไม่ทำพาไปทำนาคนอื่นจะบ้าเลย <c oughs> ท่านบอกต้องทำนาตัวเองนะเอา้อาอา้าให้อาคขันตุกกะอา้าวได้แล้วไมโครโฟนน้อาอาจารย์ล <c oughs> มรสการเจร้าค่ะโยมเป็นห่วงโลกข้างนอกของชาวโสกเจ้าค่ะเพราะว่า ตอนนี้ก็มีการมอมเมากันเรื่องของเนื้อหนังบางสามากเจาก้าค่ะเช่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการผ่าตัดเสริมความงามเนี่ยเจ้าค่ะกลายเป็นเรื่องที่ผ่าตัด อ, อะไรนะ เ, ออเสริมจมูกหรือว่าฉีดโบท็อกนั่นแหละมั น, น, มนบ้า ก, กันไปใหญ่<า>มันบ้า ก, กันมากเลยเดี๋ยวนี้นะ่ะมันมอมเมากันจนไม่รู้จะพูดยังไงอตาตมาก็พูดไปนี่ก็มีแต่ศัตรูคนชัางน้ำหน้าเกียดน้ำหน้ามากมากๆแต่ก็ไม่รู้ทำกันเลี่ยงไม่ได้ แต่ก็ทําทําไปตามที่ว่าอะไรที่พอเป็นไปได้ยิ่งขณะนี้ในยิ่งการเมืองก็ไม่ให้พูดเลยก็เลยว่าไปเรืเด็กคือเคียงไปตามเรื่องตามราวเห็นอย่างที่อาจารย์ว่าไอ้เรื่องของการหลงรูปหลงสวยหลงงามหลงอะไรแล้วก็โอ้โคือผู้หญิงเนี่ยไม่รู้จะทํายังไงมันติดยึดพวกนี้คนที่ได้เกิดมาเป็นผู้หญิงเนี่ยมันก็ติดเรืยึงนี้เป็นธรรมดา จนกระทั่งมามองมองผู้ชายเข้าไปผู้ชายก็ผพานทุกวันนี้ผู้ชายก็โอโ้อัตมาตั้งแต่นเด็กยังนึกอยู่ในใจนะว่าเออคนเรานี่ก็นุ่งกงเกงสีนั่นสีนี่อัตมาว่าเออยุคอัตมานะมันคงจะไม่มีใครกล้านุ่งคงเกงสีแดงอัตมานึกจริงๆ เออมันก็นุ่งไปได้สีนั้นสีนี้แต่คงไม่มีผู้ชายคนไหนจะหน้าด่านมานุ่งกุงเก่งสีแดงเดี๋ยวนี้มันนุ่งกันเฉยเลยกุงเก่งสีแดงก็นุ่งเฉยเลยผู้ชายไอผู้หญิงนะมันนุ่งไม่ว่าเรากก็รู้อยู่ว่าผู้หญิงมันุ่งกุงเก่งสีแดงแต่ผู้ชายคงไม่มีใครกล้านุ่งกุงเกงสีแดงมั้งตั้นเด็กอาตมาเคยคิดอย่างงั้นนะเชื่ อ, องั้นเลยอาตมาเคยคิดไปเรียนถึงขนาดนี้นี่ว่ามันหลงแฟชั่นนี่เด็กนะคิดแต่แต่เด็กจริงๆ ต่อไปในอะนาคตมันคงจะตัดไอ้กงเกงนี่ตัดรูปก้นกงเกงเป็นวงเป็นรูปอะไรก็ได้รูปกลมๆหรือรู ป, รปหัวใจแล้วก็ทาก้นสีแดงอัตมาเคยคิดถึงอย่างงั้นนะว่าแฟชั่นของโลกมันคงจะเป็นได้ถึงขนาดนั้นมีแล้วหอหะนั่นแนะมาตัดกัดกงเกงก้นนี่มันก็ตัดเลยให้มันรูปแล้วก็มันทาสีก้นให้มันแดงให้ มันคงจะถึงขนาดนั้นอาตมาเคยคิดตั้งแต่เด็กเ ค, คิดอย่างนี้งาคงมองิปลึกไป ล, ล้นอย่างขนาดนี้มีจริงเหร อ, อมันเป็นเด็กเหรอผู้ใหญ่ไม่มีเหรอ <laughs> มันเลือดเกินจริงๆเลยทุกวันนี้เนี่ยก็พูดไปนะี่นะก็ไม่รู้ทาไงอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่อจินใจ อ, อย่างหนึ่งคือคนที่มันพูดไม่รู้เอาเวนยศัพท์ สัตว์ที่สอนไม่ได้สัตว์ที่ไม่กระดิกหูเลยจะพูดยังไงเขาก็ไม่กระเตื้องแล้วพระพุทธเจ้าเึ่งมีการตัดบทผู้นี้เป็นอเวนัยสัตว์เป็นสัตว์นี่ไม่ใช่เดชฌานเดชฌานสอนไม่ได้อยู่แล้วคนนี่แหละเป็นอเวนัยสัตว์คนคนนี้เนี่ยสอนไม่ได้แล้วสันดานหรือขีดขั้นคนที่สอนไม่ได้ในอเวนยสัตว์อย่างหนึ่ง กับผู้ที่สอนแล้วไม่เปลี่ยนแปลงออย่างหนึ่งคือกระเทยกระเทยท่านก็นไม่สอนไม่ขอสอนเพราะว่าจิตมันฝังคนที่ข้ามธรรมชาติคนที่เป็นจิตเป็นกระเทยนี่เป็นจิตที่เกินธรรมชาติจิตที่เกินธรรมชาติมันติดยึดสัมผัเสเยดสีรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสจัดจ้านจนเกินธรรมชาติ ผู้หญิงก็ควรพอขนาดผู้หญิงผู้ชายควรพอขนาดผู้ชายนี่มันไม่แล้วมันข้ามมันมาชอบของผู้หญิงผู้หญิงไปชอบของผู้ชายมันข้ามธรรมชาติมันข้ามธรรมชาติจนสุดท้ายผู้ชายสัพัดเสียดสีกันผู้ชายกับผู้หญิงเป็นธรรมชาติแต่นี่มันไม่เอาแล้วไม่มีผู้ชายผู้หญิงน้ันสัพัดเสียดสีที่มันชอบผู้ชายกับผู้ชายมันก็สุข ผู้หญิงสัมผัดผู้หญิงมันก็สุกี่พวกเกินธรรมชาติปิตาบคนพวกนี้พูะเจ้าถือเป็นอาวุธในยาสัตว์ที่มาบวชแล้วให้ศึกไม่รู้ที่หลังบวชก็ให้ศึกเพราะว่ามันสั่งสมมาในจิตอิญญาณเพราะฉะนั้นพวกนี้เขาร่ำร้องเขาเกิดมาเป็นกระเทยเห็นใจเขามั่อซี่เป็นไปนเลยแล้วเราก็ต้องรู้จักรู้จักพระจ้า จัดสัดส่วนเขาคบหาเขาหรือว่าให้ประโยชน์เขาางนั้นอยากให้เข้ามาบรรยจ迦จในวงของเรารู้จักวิธีป้องกันอยากให้มาบรรย迦จในว ง, งเราเพราะพวกนี้บรรยจักจริงๆพระพุทธเจ้าไม่ให้เข้าวงแต่ไม่ใช่รังเกียจก็เห็นใจแต่ว่าก็ต้องรู้จักมีวิธีการป้องกันตัวเองแต่ไม่ไดไ้ไม่ได้รังเกียจสงสาร สงสารแต่มันเป็นวิบากเป็นวิบากกรรมนะเร่องนี้มันมากมากเกินจนกระตั้งมันเป็นยุคยุคใกล้กะลียุคเราเกินที่จะพูดแล้วเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านั้นอาตมาก็ไม่ไม่อยากจะไปแตะต้องศิลปะอย่างหนึง่งไอ้เรื่องอบายยมุขพวกนี้อย่างหนึ่งไม่อยากแตะต้องแต่ในเรื่องของการบริหารในเรื่องของการศึกษาอาตมาจำเป็นต้องแตะต้องในเรื่องเศรษฐกิจการเมืองการศึกษาอาตมาจาเป็น ในเรื่องอาบายยามุพวกนี้อาตมาแม้แต่ศิลปะอาตมาก็ไม่อยากไปแตะต้องเพราะพวกนี้อัตตาสูงและอาตมาก็เข้าใจศิลปะอย่างที่พูดไปเพระเขาคราวนี้แหละและตัวนี้เขาไม่รู้เรื่องแล้วก็มอมเมากันแล้วก็ใช้คนหลงเอาคนที่หลงนั่ น, นมาเป็นเครื่องมือในการกอบโกยแล้วเขาก็ได้เพราะคนมันเอาวิชามไม่รู้นี่อ้าว ข oh, no. า, า น, น้อมกราบพ่ะท่านค่ะน้อมกราบรัฐมนตรการพ่ะท่านและก็สมณนะศิกม์มาเอาทลิยธรรมที่น้องทุกคนนะคะค่ะได้ฉันฟังพ่ะท่านพรอท่านพูดถึงเอ่อนักนักฟุตบอล น, นักเตะ น, นะคะฟังแล้วก็กลัวค่ะเพราะว่าพวกนี้พอบอกว่าเป็นการพนัน เป็นคนที่ติดอบายามุกขันเรียก ว, ว่าฟังแล้วน่ากลัวนะคะน่ากลัวมากเลยอบายามุกนี้ถ้าเกิดพวกนี้โยมครัวถ้าไปเกิดเป็นพวกจะทำยังไงมันถึงจะหลุดพ้นได้คระเพราะท่านแกอคำถามที่สองนะคะโยมชอบที่พ่อท่านบอกว่ายุคยุคพุทธันดนนะคะ จะต้องสร้างบารมีขนาดไหนต้องอดทนขนาดไหนพุทธัดอนอย่างเดียวพูดุทธนดอนอย่างเดียวว่าคนดียังไม่มีอะไรไม่มีพุทธไม่จาเป็นต้องมีศาสนาพุทธเกิดคค่่ะใชรับอีกยุคหนึ่งมันมีสองยุคยุคที่เป็นกะลียุคที่สอนไม่ได้พุทธดอยุคที่สอนไม่ได้แล้วศาสนาพุทธเอามายังไงก็ไม่ฟังยุคนี้มันใกล้และใกล้ที่จะพูดสอนกันไม่ได้แล้วคะยุคนี้เป็นยุคที่พระพุทธเจ้าจนกระทั่งไปถึง ไฟประไลกันเลยจริงๆเป็นกตียุคจริงๆเนี่ยจากตั้งแต่พระพุทธเจ้าองค์นี้เป็นองค์สุดท้ายไปจนกระทั่งถึงโน้นอ่ะไม่มีพระพุทธเจ้ามาเกิดอีกแล้วจนกว่าศาสนาพุทนี้จะหมดไปเองและหมดไปแล้วก็อีกนานหมดศาสนาพุทธหมดน้ํายาไปนี่อีกประมาณนี้สองพันปีเนี่ยหมดเชื้อของศาสนาพุทธเนี่ยก็ไปอีกนานกว่าจะมีนี่เป็นช่วงพุทธันดอนไปอีกนานกว่าจะเพราะ มันจะบรัยายนจากฆ่าคนกันฆ่าหมดเลยแล้วโลกจะปรับตัวใหม่แล้วคนก็จะมีน้อยแล้วคนก็จะปรับตัวใหม่เพราะฉะนั้นจะไปอีกนานที่จะมีพระพุทธเจ้าองค์ใหม่ที่เรียกว่าพระศรีอานเกิดมาเกิดในช่วงนี้จากหลังนี้ไปจะเป็นพุทธันดรสิ้นสองพันปีไปแล้วในพระพุทธันดรอีกนานแล้วยุคพุทธันดรนี้คน คนที่จะมาเกิดในยุคพุทธันดรนี่จะเป็นคนดีไม่ต้องมีศาสนาใช่ไหมมันมียุคดีกับยุคที่ร้ายแรงไงที่บอกแล้วค่ะยุคที่พระเจ้าไม่เกิดนี่คือยุคร้ายแรงยุคกุลียุคเกิดไม่ได้พระเจ้าเกิดในยุคกุรียุคไม่ได้ค่ะแล้วจะต้องแล้วก็มันไม่มีศาสนาพูดแล้วมันถึงฆ่าฟันกันท่ำหันกันไม่มีอะไรช่วยเลยค่ะถ้าคนที่เกิดในยุคยุคพระศรีอานที่ ที่ที่พระพุทธเจ้าจะบำเพ็อ๋ อ, อนั่นนั่นนก็เป็นยุพสีอานเกิดก็เป็นพระพุทธเจ้าสรีศรีอาญก็เป็นพระพุทธเจ้าแล้วอ่ะจะต้องบำเพ็ญแต่นานนานเพราะพระพทเจ้าองค์ต่อจากนี้ไปนี่จะเป็นพระพุทธเจ้าเกิดในยุคคนดีเพราะมาสอนในยุคนนยคนดีคนดีช่วงแรกไม่ต้องเกิดศาสนาพุทธเพราะเขาอยู่ดีกันหมดแล้วไม่ต้องมีศาสนาพุทธเขาก็อยู่ดีโดยธรรมชาติของเขาแล้ว จนมันเสื่อมไปประมาณหนึ่งาศาสนาพุทธจึงจะขึ้นมาช่วยแต่มันก็ยังไม่ช่วมากคนดีมากจึงมาสอนให้รู้ได้ไวและรับได้มีมกักมีผลอยู่ไปอีกนานาศาสนาพุทธยุคแรกจึงนานหลายล้านล้านลาน้ลานปีแล้วพ่อท่านคะเราจะต้องออบำเพ็ญบา ร, รมีขนาดไหนคะถึงจะได้ไปเกิดยุคนั้นน่ะคะ่ะต้องอดท<อ><ม>นบไมดได้ไ แล้วแล้วยหงตอบไม่ได้แล้ยังรู้พ่อท่านที่พากันทําทําไปเธอทำไปเธอจะมีบารมีได้เกิดไหมคะตอบไม่ได้ได้เกิดไม่ตอบไม่ได้คุณทําตัวเองตอบตัวเองที่คุณทําเอาคนทําได้คนไหนทําได้คนนั้นคือได้คนได้หนึ่งก็ได้หนึ่งคนได้สองก็ได้สองพราะเจ้าจะตอบว่าคนไหนจะได้แค่ไหนแค่ไหนนั้นตอบแทนกันไม่ได้พระพุทธเจ้าก็ตอบแทนไม่ได้อยู่ที่ความเพียรกับความ มีบารมีมีบารมีฉลาดมีบารมีเป็นเวนัยศัตร์หรือไม่เป็นเวนยศัสตร์มันก็อยู่ที่ตัวเราเองแล้วจะมีสักคนไหมคะที่ที่รู้เพราะท่านที่บำเพ็นกันอยู่เนะะี่ยค่ะจะได้เกิดไหมยังนั้นไหมคะจะได้เกิดยังไงเกิดเกิด ย, ยุคพระที่เกิดในยุคที่มีแต่คนดีๆที่เกิดนั้นนะคะ<อ>ที่ยังไม่มีศาสนาถามนนะะแบบนี้ให้อัตมาพยากรณ์ <c oughs> คนให้อัตมามาตอบพวกไอ้อวดอุตตริมลุศธรรมอันนี้อัตม า, มาตอบไม่ได้อัตมาไม่มี ค่ะขออภัยกันแล้วก็ อ, อีกอันหนึ่งคนที่ติดการพ น, นันอบายมุกเนี่ยจะทำลายโลกเลยไหมคะพ่อท่านคบทำลายค่ะต<อ>ิดอบายมุกนี่อาตมาบอ ก, ลกแล้วว่าคอยดูโอลิมปิกนี่จะทำให้เกิดเป็นเชื่อในการอาจจะเกิดสงครามโลกก็ได้โอลิมปิกนี่แหละ จะก่อให้เกิดสงครามสงครามโลกก็ได้มันแข่งกันนี่แหละมันแข่งอะไรอะไรกันนี่แหละแข่งบนโลกแข่งอะไรโลกเดี๋ยวนี้มันหมดเลยเนี่ยมันเป็นระดับโลกหมดแล้วเนี่ยแข่งอะไรระดับโลกกันไปหมดเลยนี่มันหาเงินไงน่ะมันก็ตั้งชื่อเรียกออะไรอะไรหมดเลยนี่ไม่ว่าแข่งอะไรกันทั้งนั้นน่ะแข่งได้หมดค ข, <อ S 1> ขอบพร ะ, พระคุณศาราจารย์ค่ะโยมโยมมีความเห็นว่า ในสังคมของชาวอาโศกเนี่ยเจ้าค่ะคือยุค ข, ของภาษีอ่านแล้วอันนี้ เ, เป็นระยะหนึ่งถูกเจ้าค่ะเพราะว่าทุกคนไม่ได้ต้องการอะไรที่เป็นประโยชน์ส่วนตนเลยยมคิดว่ า, าลูกของพ่อท่านเนี่ยเจ้าค่ะคือผู้ที่มีบุญที่สุดแล้วจึงได้เลือกมาใช้ชีวิตเช่นนี้เจ้าค่ะอันนี้เป็นส่วนถูกมัมีส่วนถูกต้องแต่คนเขาเข้าใจไม่ได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรเรามีความจริงที่เราได้ ทุกวันนี้ชาวสงเนี่ยผู้ที่อยู่ในแวดวงเป็นสมาชิกชาวสงแล้วก็มีชีวิตอยู่กับชาวสงจริงเนี่ยเป็นผู้ที่ได้สวยสวรรค์เป็นผู้ที่ได้สเสวยสวรรค์แต่อาตมาไม่อยากพูดไปพวกรเราประโลมใจมากมายนักเดือเหลิงมันไม่ดีเ ป, เ, ปเป็นแดนเป็นแดนสวรรค์ที่เป็นอันนั้นจริงๆแต่ก็ ยากที่จะเข้าใจยิ่งคนข้างนอกเขายากยุคนี้มันยากยุคต่อๆไปยิ่งยากกว่านี้ขนาดอาตมามายุคว่าเวลานี้เนี่ยมันก็ขนาดนี้แล้วก็ยังยากแล้วที่จะเข้าใจอาตมาทํางานมาตั้งสี่สิบกว่าปีเข้าไปเจอห้าสิบปีเพราะเนี้ยโอ้โหได้แค่เนี้ยมันอือาตมาไม่ได้อึดอัดตรงนะพราะอาตมารู้อยู่ว่าเหตุปัจจัยมันคืออะไรแค่ไหนไม่ได้อึดอัดหรอกแต่ว่า ผู้ได้เห็นโดยแสดงท่าทางนัดจากขีตะว า, าดิตตาอะไรออกมาเพื่อที่จะเห็นว่ามันมันจริงๆอย่างนั้นนะมันยากแต่แม้ยากมันก็มันมาไม่เคยทอ้อยากรู้ว่ายากเหนื่อยเราก็พักไม่เหนื่อยเราก็เพียรไปทำงานตามพูะเจ้าสอ น, นอ้าวใครอีกได้อีกคนนึกให้สมณะให้นะักบวชมาอ้าว คิดแล้วพวกเราที่มารวมตัวกันอยู่ที่นี่ด้วยแล้วจะเป็นผู้ที่มีความดีความถูกต้องความอยู่ในศีลอยู่ในธรรมอยู่ตลอดเวลาแต่คัสอนที่พ่อท่านพาสอนกันเน่ก็ชัดเจนนะฮะไม่ใช่ไม่ชัด ว่ามันทบไปแล้วมันไม่ได้อะไรรอเปล่ามันยังช้เมันยังตื้ออยู่ไงผู้รู้แล้วก็รู้าผู้ไม่รู้เขาก็ไม่รูร้เขาก็ว่าเขาได้ครับในในพระไตรปิฎกเล่มส <c oughs> ิบแปดข้อร้อยห้าสิบสี่ห้าสิบห้าเนี่ยบอกไว้ชัดเลยบอกว่าเอาพระองค์ กาเกี่ยวกับเรื่องคนคนมีทุกข์เนี่ยคนไม่มีทุกข์ก็รู้อยู่ว่าภัจะเป็นปัจจัยจึงเกิดมาเป็นคนภัจจเป็นปัจจัยเกิดมาเป็นเวทนาเป็นปัจจัยเกิดมาจึงเป็นตัญหาจึงเป็นความเกิดแห่งทุกข์ ทีนี้ก็รู้อยู่ชัดเจนแล้วก็มีมโนมีวิญญาณรวมสามประการเป็นผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาเพราะเวทนาจึงเป็นปัจจัยจึงเกิดตันหาแล้วก็ความเกิดมาเป็น จึงเป็นความเกิดแห่งทุกข์ทีนี้ก็ความผู้หมดทุกข์หมดได้อย่างไรก็คือดับทุกข์นั่นเป็นอย่างไก็ความดับทุกข์ก็คืออาศัยจักรสุในรูปจักรสุที่เป็นวิญญาณรวมทํามยุตสามการก็คือปัจจัยต้องไปไหาปัจจั<ท>ยใหม่นะนี่นนจึงเกิดเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัย เ, เกิดตัญหา พระดับปัญหาจะเกิดปัจจัยรุแรกมาก่อนสำคัญข้อนี้ก็จริงอยู่ที่ตำรอกออกโดยไม่เหลือไม่ได้อ่านชัดนคคือคำตายของพระเจ้ามันชัดเจนทั้งนั้นผู้เข้าใจผู้ไม่เข้าใจอ่านยังไงก็ไม่รู้เรื่องหรอกฟังแล้วยังโง่มันยิ่งภาษาพระเจจาภาษาในพระเจปิญกดลเราไม่ต้องห่วงหรอกมันยาก มันไม่มันไม่อยู่ในสมัยแต่ผู้ที่พอเข้าใจลีลาสัมนวนพยัญชนะบัญญัติที่ร้อยเรียงลีลาผูกประโยคอะไรต่างๆนานาโดยเฉพาะคําที่มันสื่อว่าอันนั้นคือหมายถึงอันนี้อันนี้หมายถึงอันนั้นนะมันก็คนรู้จะรู้คนไม่รู้ก็ไม่รู้หรอกพูดไปยังไงมันก็ไม่รู้ อ, อ่ยากไม่ง่ายคารับลีลาไม่เห <จน S 2> ลือคนรู้แล้วจะรู้สึกว่าโอ้โหมันทราบซึ่งแล้วมันเพราะ นะ่ารู้แต่คนไม่รู้แ้่ปุ้ไปรู้เรื่องอ่นนี้ก็มืดหน้าอะไรเงี้มันก็ธรรมดาเอาดีแล้วละ่ะทรา บ, รบซึ่งในพระเศมิตรงดีแล้วศึกษาแล้วก็พัฒยามปฏิบัติตามมันได้เอาทีนี้นักบวชเอาเลยข้อกาศครับเอาเอาเลยตอนที่พอสันเทศจบแล้วก็ เขาส่งไม้ไปให้นักเรียนนักเรียนเขาจะเลื่อนไปเลื่อนไปไม่มีใครจะพูดเลยที่ลังเนี่ยเอาเพลงดิเอาเพลงเลื่อนไปให้เอาเพลงไปให้ยิบปั๊บเลยนะหรือไม่ก็เอาขนมมาไปให้รพวกนี้วันนี้นั่งอยู่ที่เรือแล้วก็ไทยเทิดธรรมาก็ไปที่เรือนะแล้วก็บอกเขาว่าตรงนั้นมันเกิดเหตุการณ์ตรงนั้นตรงนั้นอะไรพวกนี้ใครเคยไปที่เรือพบครูบ้าง เคยเข้าไปข้างในไหมสวยไหมเออตะมากว่าสวยนะแต่มีอะไรแฝงอยู่นะที่สวยๆเนะี่ยปวกมันขัดกินหมดแล้วนะ <laughs> เกิดจากอะไรเกิดจากปวกสองไอ้เกิดจากแมงเม่าสองตัวที่มันบินเข้าไปแล้วมันก็ไปกอ่อลูกกอหลานนะนี่นแหละคือมันไม่สวยเฉพาะอะคนหรืออะไรนะ คนรูปหล่อพวก ม, มันยังสวยพวกมันยังมองสวยเนาะอ่ะอาไอ้จรเราเห็นมันสวยแล้วพวกมันจัดการหมดแล้วนะไทยถ้าทำบอกว่าจะรื้อออกให้หมดเลยวะวันนี้ปลาปลาก็เลยอร่อยไปเลยวันนี้ปลาวันนี้นะี่ยเพราะเขารื้อรังมันแล้วก็โยนลงน้าปลามันก็สนุกไปเลยนะ <c oughs> ก็เลยเห็นว่าสิ่งที่เราเห็นสวยสิ่งที่เห็นเราว่างามนั้นมันมีอะไรแฝงอยู่ข้างในนะดังนั้นเรามาปฏิบัติธรรมมาฝึก รถ ล, ลาเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ให้เรารู้ความจริงในโลกนี้มีสิ่งหลายอย่างที่หลอกลวงอยู่นะครก็ให้พวกเราตั้งใจปฏิบัติทําให้ดีต่อไปก็แล้วกันอาจจเรียธรรมกราตอนนี้นว่าไฟยิงค่ะกราบนรสการพ่อท่านท่านสมณะรศิคมาศค่ะเจริญธรรมค่ะพวกเราทุกๆคนอยากเรียนถามพ่อท่านที่พูดถึงความรักของพระเจ้าค่ะ พ่อท่านบอกว่าเขาก็จะทําแต่ความดีคิดถึงแต่เรื่องดีๆทําแต่ว่าไม่ได้เอาลดละกิเลสอะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนอย่างกับที่แม่ชีเทเรซ่าหรือเปล่าคะเพราะเห็นเขาดูแลคนใกล้จะตายอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะมากมายเลยนะคะก็เป็นลักษณะทําแต่กุศลใช่ไหมคะแล้วก็เป็นเชิงสังคมสงเคราลอเท่านั้นหรือเปล่าคะ ทำไมพ่อท่านว่าเขาเขาก็ทำเสสละเยอะเลยนะคะถ้าจะว่าไปอ่ะอยากให้พ่อท่าน<ง>อธิบายค่ะว่าอเอเขาไม่ได้ลดละกิเลสยังไงก็ถึงจะสามารถจับคนเจ็บคนป่วยคนเป็นโรคเรื้อนหรือว่าอะไรเงี้ยได้ฮะค่ะกลับ<อ>ขอบพระคุณค่ะก็ เ, <อ> เ, เป็นเรื่องขอ ง, ก า, างการสร้างจิตการสร้างจิตการสร้างความเคยชิน ให้จิตรู้ความเคยชินแล้วให้จิตเนี่ยมันมีพลังที่จะมีพลังโน้มไปในทางใดก็แล้วแต่โดยการผลักดันมันไปเฉยๆไม่ได้รู้รายละเอียดของจิตเจตสิกต่างๆเลยจริงๆนะไม่มีเบื้องต้นท่ากลางมันปลายตามสูตรที่จะเรียนรู้ตังแต่ยาบไปหาละเอียดจน ทำกิเลสมันสิ้นเกลี้ยงอย่างจริงแต่เขาใช้วิธีกฎข่มมันมีอยู่ในโลกเป็นสามัญบอกแล้วว่ า, าศาสนาเทวนิยมมีประจำโลกมีเป็นสามัญและคนบำเพ็ญบเพ็ญคุณธรรมแบบนักบุญทั้งบุญทั้งหลายในแมสิแมชี เ, มชเทเลซ่าก็ตามมีอยู่ทุกยุคทุกสมัยอะมากน้อยแล้วแต่แต่บา ร, รมี เพราะว่าจริงๆแล้วกุศลหรือคุณงามความดีนี่คนรู้หมดคนรู้แม้แต่บอกว่าคนเรานี่มาจนดีกว่ารวยเขาก็รู้ไม่ใช่ไม่รู้ในหลักเศรษฐศาสตร์จริงๆถ้าเรียนจริงๆก็รู้ว่าคนคนไหนที่จะไม่สะสมเงินไว้ของตนเองเนี่ยก็สัพัดออกไปคนอื่นนี่คนอื่นก็ได้รับตนเองก็ไม่ต้องไปเป็นเป็นคนที่ทําให้เป็นเหตุปัจจัยในการทําให้การสัพัดสิ่งเหานี้ติดขัด ก็รู้กันทั้งนั้นน่ะเรียนมาง่ายๆก็รู้กันทั้งนั้นนะจนดีก็รวยก็รู้ น, นอกจากแต่คนที่ยังมันติดมากว่าจนมันอยู่ยังไงว่าเอาก็แล้วไปเถอะไอ้คนอย่างงั้นไม่ต้องพูดหรอกมันก็จะรวยตะพืดนเลยไอ้คนอย่างงั้นน่ะนะพระอาตมาถึงเห็นใจในหลวงตรัสว่าเอาแบบคนจนเนี่ยโอโ้โหอาตมาว่ามันเท่ากับแม่ขออาภัยแล้วอาตมาพูดความจริงหน่อย เป่าปีมันก็ไม่รู้เรื่องกันท่านตรัดมาเหมือนกับเป่าปนะีมันก็ยากอนะ่ะแต่วิธีที่ทำาน ก, กฎข่มหรือว่าทำแต่ดีแล้วความรู้อัตมาบอกแล้วว่าทางด้านน้นเขาไม่เอาใจใส่เรื่องความชั่วเขามองข้ามความชั่วอ่นะ เขาดูความที่มันน่าสงสารน่าเกื้อกูน่าช่วยเหลือแล้วก็ทาจะดีๆๆๆๆๆเหมือนเลยแม้แต่ที่สุดความไม่ร่ำรวยไม่สะสมก็เข้าใจในเรื่องการก็รู้ว่ามันไม่ต้องไปมากไม่จัดไม่จานลดๆดลดรู้กดคมกันจกกนกระทั่งโอ้โหพวกทิคคาพรพวกาศาสนาเชนเนี่ยมันไปกันจนกระทั่งไม่ต้องนุ่งผ้านุ่งผ่อนอะไรนะ จนกระทั่งโกดคข่มกันถึงขนาดพิสูจน์เดินลงมาในสังคมอวดอ้างคนเดินโชเปลยเฮ้ยนะผู้หญิงสาวๆก็ไปกราบเคารพดีไม่ดีก็ไปดมไปหอมไปจูเขานะ่ะเพื่อพิสูจน์แล้วเขาก็ไม่มีอะไรสะตุง้งสะเทือนจริงๆเลยถึงขนาดนั้นนะอย่างนี้เป็นต้น ทำได้การกดข่มมันมีวิธีการแบบสามัญการกดข่มวิธีมันวิธีการสามัญของสัญชาติญานสัตว์โลกและมนุษย์มนุษย์ไม่มีสัญชาตญาณในการกดข่มไม่ได้หรอกคนเรากโกรธก็จะแสดงออกมันทั้งๆกิริกโกรตต่อหน้าสาธารณะตะพืชมันไม่ทําหรอกคนมันมีราคะ มันจะไปแสดงต่อหน้าของคนออกมาตะพฤกตะพื้นไม่มีโอกาสไม่มีการกดข่มไม่มีการระมัดระวังมันไม่ได้หรอกไม่ว่าจะเป็นฟรีเซ็กส์ขนาดไหนมันก็ต้องรู้ลึกๆมันก็ทำมันก็ไม่ไม่ทำหอกมันเป็นธรรมดาธรรมชาติอยู่แล้วสัญญาตญาในการกดข่มเพราะฉะนั้นกดข่มได้กดข่มเลยสิ่งที่รู้้วยปฏิพานว่าไม่ดีไม่ดีไม่ดีส่วนความไม่ดีของคนอื่นทิ้งไม่เกี่ยว อาตมาท่าบอกว่าเป็นลัทธิใจดําเป็นลัทธิอะไรที่ว่าเมื่อกี้อ่ะปลดปล่อยคนชั่วให้ลอยนวลอ่าปลดปล่อยคนชั่วให้ลอยนวลอย่างนี้แสดงว่าอย่างพวกที่มีอุดมการ์อุดมสติก็เช่นเดียวกันใช่ไหมคะเขาจะมุ่งเป้าไปอย่างนั้นใช่หรือนักวิทยาศาสตร์อะไรก็แล้วแต่เขาจะมุ่งเป้าไว้เพื่อเป้าหมายตามใช่ทาของตนเองเป็นส่วนตัวเห็นแก่ตัวอย่างนึงเขาก็ไม่ได้สนทำเต่มดีเพื่อตัวปล่อยให้คนชั่วลอยนวลไม่สงสารคนชั่วเลย เพราะฉะนั้นคนพวกนี้ี่ใจดํามองบนใจดีช่วยคนที่ตกทุกข์ได้ยากจริงแต่คนชั่วคุณปล่อยเขาทิ้งหมดเลยอย่างมีศาสนาพูดว่าช่วยคนชั่วคไอ้ช่วยคนตกทุกข์ได้ยากก็ช่วยอยู่แล้วอย่างจือจี้นี่ก็ใช่ใช่ไหมค ะ, ะเป็นสังคมสงเคราะห์ทั้งนั้นแหล ะ, ะปล่อยคนชั่วลอยนวนนลเป็นลัฐที่ปล่อยคนชั่วลอยนวลแต่ปล่อยคนที่น่าสงสารช่วยคนน่าสงสารมันทุกลัฐที่ช่วยกันอยู่แล้ว แต่การปล่อยคนชั่วลอยนวลไม่มีฝีมือในการที่จะราวีคนชั่วเพราะฉะนั้นจึงเป็นศาสนาไม่มีสระณะนี่ลึกนะระแปลว่าสงครามสะแปลว่าประกอบด้วยเพราะจึงไม่เป็นศาสนาที่ประกอบไปด้วยสงครามแต่ศาสนาเป็นศาสนาที่มีสระณะศาสนาที่ประกอบไปด้วยสงครามเพราะศาสนาพุทธ มาทำสงครามธรรมาธรรมะสงครามเป็นศาสนาเดียวที่ทำธรรมมาสมะสงครามแต่ศาสนาที่ถือกฎข่มที่เป็นไม่เอาทานกับคนชั่วนะปล่อยคนชั่วโ ล, ลอยนวล น, นะเป็นศาสนาไม่มีสงครามไม่มีสรณะนี่พยัญชนะไม่มีสรณะไม่มีสงครามไม่ทำสงครามศาสนาพุทธทำสงคราม แต่ทำสงครามอย่างฉลาดทำสงครามอย่างจริงใจที่จะปราบคนชั่วไม่ปล่อยคนชั่วลอยนวลพูดไปแล้วคนชั่วก็เลยตั้งหน้าตั้งตาเล่นงานอาตมาสละแล้ว <c oughs> คนที่ปฏิบัติธรรมแล้วก็คือก็ไม่สนใจความชั่วคนอื่นน่แล้วก็ตัดสินไม่ได้ว่าเขาดีเขาชั่วเนี่ย อยู่ในประเภทเดียวกันอันนี้หรือเปล่า ท, ทําใหม่ที่ไม่ชัดคือคนที่ปฏิบัติธรรมนะเราก็เห็นความชื่อคนอื่นเนี่ยก็กตัดสินไม่ได้ว่าจะผิดหรือไม่ผิดเอาแต่ความดีอย่างเดียวความชื่อไม่กล้าตัดสินว่าเขาผิดหรือไม่ผิดหรือถูกใช่ทั้งนั้นเลยเป็นประเภทอย่างนี้ใช่ไหมครับด้วยหนึ่งคนชื่วก็ปล่อยเขาเลยสองไม่พิจารณาที่จะตัดสินอะไรเขาทั้งนั้นเลยก็จะไปทําอะไรกับเขาแล้วก็ปล่อยเลยอะอย่าว่าจะตัดสินเลย ไ ม, ยยไม่ช่วยอะไรเลยคนชั่วก็าปลชั่วช่วยแต่คนน่าสงสารครับไม่ช่วยคนชั่วช่วยแต่คนน่าสงสารคือคนในสังคมก็จ ะ, well <ah ะได้ยมคนแบบเนี้ยครับคือเขารู้สึกว่าเออเป็นคนใจดีใช่ช่วยแต่คนน่าสงสารไม่ช่วยคนชั่วคนชั่วก็ไม่ด่าอ่ไม่ด่าไม่ว่าไม่ชั่วเอาตัวรอดไม่ด่าก็ไม่มีผลกระทบไงคนชั่วมันทำร้ายตอบเพราะฉะนั้นคนที่จะเป็นรบกับคนชั่วนี่ต้องมีฝีมือ ไม่มีฟีมือไปรบกับคนชั่วได้คนชั่วมันตอบนะมันไล่ตอบนะคนชั่วมันสู้นะครับ <c oughs> <c oughs> มันเป็นงานหนักงานศาสน า, าพุทธเป็นงานหนักมากเป็นงานยากมากแต่เป็นงานที่วิเศษมากมันมาก <c oughs> เป็นงานที่ปันมากคุณ <c oughs> ไม่รู้ต้ <c oughs> องใช้ฟิมือจริงๆ ตายมาเยอะแล้วพระโมคขลาก็ตายไงขมุนกล า, าก็ตายในสนามรบเก่งเท่าเก่งมีฤทธิ์นะพระโมคขลานะ่ะสุดเลาะยอดฤทธิ์เลยยิ่งก็จอมยุทธไหนไหนในหนังจีนทั้งมันเลยพระโมคขลาแต่ก็ต้องตายตายเพราะสงครามศัตรูสงครามธรรมะถ้าไม่ไปทำงานสงครามไม่ไปแย่งการเมืองอะไรหรอกสงครามธรรมะแท้ๆท่านโมคขลาครับกราบขอาการพระครูค่ะศิกมาศ์ผ่าแก้วค่ะ ฟังพ่อครู ว, วันนี้นะคะมีช่วหนึ่งที่พ่อครูพูดถึงว่าอายุของคนเรานี่มันสั้นนิดเดียวนะคะจริงๆค่ะเอพอแป๊บเดียวมันก็ร้อยปีมันสั้นนิดเดียวที่นี้ก็เอิมก็จริงนะคะึันก็เลยทบทวนอยูนะเอรีนมาอยู่วัดตอนอายุสิบเจ็ดปีนก็ว่าอย่างสาวน ะ, ะเ อ, อ <laughs> ตอนนี้มันเอพอแป๊บเดียวยีนห้าสิบอ็ดแล้วนะคะเออฉันรู้สึกว่ามันทําไมมันเร็วจังเลยอ่ะนะคะรูยววันเดียววันแก่ไม่ทันค่ะ ก็เลยต้องสาวๆอยู่แนั้นค่ะตอนนี้ก็ไม่ค่อยสาวแล้วเออแกไม่ทันนะโอ้ห้าสิบยังสาวของเขาทั้งโลกก็บอกสามสิบยังสาวถ้าสี่สิบก็แย่ท้ <c oughs> ทงโลกทีนี้ก็จะมีข้อเรียนถามตรงที่ว่าเรารู้ทังรู้ว่ามันสั้นนิดเดียวให้เวลาผ่านไปเร็วแต่เราก็ยังแพ้ต่ออำนาจของกิเลสอยู่นะคะจะทำอย่างไรงจะเอาชนะใจเราได้ มันเหมือนกับนึกถึงอะไรนะยานเจของพระโสดาบันอ่ะนะข้อที่ข้อที่สี่รึเปล่าฮะที่เหมือนเด็กน้อยนอนแบะบ่ที่เวลาโดนไปก็รีบหดกลับอันนะ้นข้อที่สามค่ะปัญญาก็สามข้อที่สี่นะคะข้อสามหรือข้อสี่ข้อสามข้อสี่ขอสี่ค่ะคือจะทําอย่างไรหรือจะเกรงกลัวต่อบาปแบบนั้นนะที่จะแบบมันมันเป็นคุณภาพหรือคุณมาคุณคุณภาพเป็นขั้นตอน นคนที่มันบอกว่าทํำยังไงจะเป็นก็ต้องสะสมไปตามลําดับมันจะไปได้ทันทีได้เก่งๆก็คือการหิริและโอตะปะนั่นเองเกรงกลัวต่อบาปหรือละอายหิรินี่ละอายต่อบาปละอายนี่คือไม่ทําต่อหน้าใครละอายต่อบาปนี่ไม่ทําต่อหน้าใครแต่รับหลังทำหิริเนี่ยส่วนโอตะปะนั้นต่อหน้าก็ไม่ทํารับหลังก็ไม่ทํา โอตปาในเกรงกลัวตวบาบกลัวเลยกลัวบาปเลยส่วนฮิริเนี่ยต่อหน้าคนไม่ทำรับหลังทำนะสนโอตปานั้นไม่ทำรับหลังคนก็ไม่ทำต่อหน้าค น, น, นไม่ต้องพูดเลยเพราะว่าท่านสูงก็่ฮิริมันก็ต้องสร้างเพราะว่าจะไปพูดเอาว่าจะทำอย่างไรได้แม่ซื้อตามพารากอนไหม <laughs> มีขาย กำลังขยา่าไม่ได้เรา ก, ก็ต้องทำเอาเองต้องฝึกฝนไปให้มันสมาธิิแล้วก็ได้ขึ้นมาจะใจร้อนนะพะยายามเรียงลาดับให้ถูกตัวเองทําให้สัดส่วนที่มันเหมาะสมกับตัวเองได้ดีจะได้เร็วได้มากแต่มันยากจะเอาเถอะประมาณไปเถอะประมาณให้พอเหมาะพอดีได้สัดส่วนพอดีของตนเองตั้งตนอยู่บนความลําบากพอสมควรอย่าปล่อยตนตามสบาย ถ้าปล่อยตนตามสบายนั้นอกุศลธรรมเจริญยิ่งนะสุขายะอะไรปณ ะ, ะเมโขปณ ะ, ะเมวิหรารโตต้องตั้งตนอยู่บนความลำบากาความลำบากนี่ก็อยู่ประมาณพอสมควรเพราะงั้นการปล่อยตัวตามสบายเนี่ยกิเลสเข้าทุกคนต้องฝืนต้องมีความอดทนต้องมีการต่อสู้ต้องมีการขัดเกลา้า นี่ถึงจะสามารถที่จ ะ, จะเจริญได้นะเพราะงั้นคนที่บอกว่ามัชชิมาพอดีพอดีแล้วก็ปล่อยตัวตามสบายเพราะมันตัดสินยากนะคนเราเนี่ยบอกว่าจะทําตัวตามสบายเนี่ยมันก็บําเบลกิเลสละไม่ได้จะต้องฝืน้นต้องอดท น, นต้องขัดเกลาตนเองต้องตั้งตนอยู่บนความลําบากในภาษาของพระพุทธเจ้าอะไร ทุกข oh, I mean, hmm. ้ายะปนมเมอัตตานังปทหติทุกขายะปณมเมอัตตา낭พัฒหติเนี่ยตั้งตนยน์ความลำบากทุกขายะนี่ยคือความลำบากปนมเมอัตตา낭ตั้งตนอัตตา낭พัทหติตั้งตนอยู่บนความลำบากอุสรธรรมจะเจริญราะการอยู่บอกว่าให้อะไรให้ทางสากลาง อยา่าเคร่งเกินไปอย่าตึงเกินไปคนก็เลยไปบมเบลตนเองบาเบอกิเลสไม่ตั้งตนอยู่ในความลำบากเพราะฉะนั้นคนอยู่ที่นี่เนี่ยไม่ปล่อยให้อยู่ไอ้นี่นะแต่ก็ไม่ถึงกับขนาดรุนแรงมีกฎเหล็กเกินเกินไปแต่ก็พูดก็ว่านะพวกเราก็ถึงได้อดทนแล้วก็ได้ ผักเพียนได้พยายามทํามันก็อยู่ที่วิธีการเรือว่าอยู่ที่พวกเราเข้าใจกันแล้วก็จัดสรรเป็นตํารวจตํารวจแต่ละคนแต่ละคนร่วมเป็นตํารวจทั้งนั้นเนี่ยตรวจให้คนนั้นคนนี้ช่วยกันแล้วก็พอเป็นไปเอาละหมดเวลานาตอนนี้สองทุ่มยี่บสองนาทีแล้วเลยไปสองนาทนาีตกลงวันนี้ก็ จะได้ครบเวลาแล้วรายการวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้เจริญธรรมทุกคน